อาจารย์ครับกล่าวนมัการครับผมเาจารย์พรคุณหมอท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านอาจารย์ครับวันนี้ผมอยู่สัปตะทีบแล้วครับอาจารย์ปัตถึงแล้วครับถ้าอยู่พิเศษโลกคงเดินทางมาทันพรุ่งนี้เช้านะครับผมตั้งใจไปพรุ่งนี้แล้วครับพระอาจารย์ครับพระอาจารย์ครับวันนี้อเป็นการจัดรายการวิสัชนาธรรมครั้งที่หนึ่งร้อยแปดิแปดแล้วนะครับอาจารย์ครับเมื่อเช้าคนไปเยอะไหมครับอาจารย์ครับ ก็620คนใส่บาตเพราะเป็นวันันพระด้วยเป็นวันพระมีคนสองกลุ่มคนที่ใส่บาดประจำวันพระกับคนที่ใส่บาดประจำวันอาทิตย์มาพบกันก็เลยทำสองเท่าเพรทางทางบ้านอีกประมาณ450โอ้พันหนึ่งทีพันเจ็ดสิบประมาณได้พันเจ็ดสิบครับตรงนี้ก็เป็นพวกที่ทำวีซ่าไปสวรรค์กัน เขาได้บีซ่าแล้วได้วีซ่าใบสวรรค์ส่วนพวกตอนบ่ายนี่ก็มาทำบีซ่าไปนิพพานกันนะวัน <c oughs> นี้มาฟังเทศฝั่งทำนั่งสมาธิทําจิตให้สงบเจริญปัญญาวัน <c oughs> นี้ก็รวมกันพัน 1, หนึ่งเศษๆ <c oughs> อ๋อตอนบ่ายพันหนึ่งอะครับทั้งทั้ ง, ท, งที่ทางบ้านด้วยแล้วที่มาฟั่งทำที่หน้ากุฏิมาฟังประมาณสองรอยห้าสิบวันนี้คนเยอะเลย ธรรมดาจะวันละร้อยห้าสิบร้อยหกสิบแนี้คงจะเป็นช่วงวันหยุดก็ลยมีกลุ่มมาวันนี้ก็มาทําวีซ่าเพื่อจะไปนิพานกันครับอาจจะเป็นกลุ่มเดียวกันก็ได้บางค น, นก็ใส่บาตรตอนเช้าด้วยแล้วก็ตอนบ่ายก็มาส่อเทศส่องธรรมด้วยครับยัง ม, มีกลุ่มตอนกลางคืนอีกช่วงหนึ่งครับพ่าจารย น, นี่นี่กลุ่มนี้ยเกืบสองพันนี่ ก, นก็นี่ก็พวกนี้ก็จะไปทําไป ไปทั้งสวรรค์ไปทั้งที่พานสุดแท้แต่ศรัทธาว่าจะจะซื้อตั๋วชนิดไหนจะทําทวีซ่าชนิดไหนครับผมวันนี้ก็ใกล้ปีใหม่ครับอาจารย์ก็เลย <c oughs> จะมาขอเสริมดวงครับอาจารย์ <c oughs> เสริมบา ร, รมีครับอาจารย์ครับก็เลยกราบขอปัญญาจากพระอาจารย์ว่าปีปีใหม่แล้วพวกเราจะทําให้ปีหน้าเนี่ยมีบา ร, รมีที่มากขึ้นเสริมบา ร, รมีของเราต้องทําอย่างไรบ้างครับอาจารย์ครับกราบขอความเมตตาครับ ก็ไปขอขอจากพระพุทธเจ้านี่พระพุทธเจ้าท่านให้ให้เราให้พรเราอยู่สามระดับด้วยกัน ร, ระดับแรกก็คือให้เราปิดประตูอบายปิดอบายด้วยการละการกระทําบาปทั้งปวงและอบายมุกต่างๆถ้าเราไม่ต้องการจะไปเกิดในอบายเราก็เพียงแต่รักษาศีลห้าและละเว้นอบายมกุกเช่นการเล่นการพ น, นันการเที่ยวกลางคืน ความเกียดข้านการคบคนที่ชอบอบายมุขเป็นมิตรท่ทานี้เราก็สามารถปิดประตูอบายไนดะ้ไม่ตายไปไม่ไปเกิดในอบายแล้วระดับที่สองก็ให้เราไปสู่สุคติให้พรให้ให้เราไปสู่สุคติทางที่เรามักจะให้พรคนตายกันใช่ไหมขอให้ไปสู่สุคติ อ, อมันให้พรกันไม่ได้พระเจ้าพระุทธเจ้าบอกว่าต้องทําต้องทําบีซ่า ถึงจะไปสวรรค์ได้ไปสู่สุคติได้ด้วยการกระทําทําบุญกุศลต่างๆให้ถึงพร้อมทําบุญทําทานทํางานเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมเพื่อประโยชน์ของผู้ตกทุกข์ได้ยากอะไรทํานองนี้ก็จะเรียกว่าเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลให้ถึงพร้อมอันนี้ก็จะตายไปก็ได้ไปสู่สุคติหรือได้ไปเกิดในสวรรค์หกชั้นด้วยกันแล้วพร้อม ตอประการที่สาก็คือให้เราชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์เพื่อเราจะได้เข้าไปสู่พระนิพพานได้ไปสู่พระนิพพานอันนี้ก็เราจะเริญวิปัสสนาจะเริยสมถะภาวนาปฏิบัติธรรมถือศีลของนักบวชตั้งแต่ศีลแปดขึ้นไปก็จะได้ได้ไปสู่พระนิพพานยุติการกลับมาเวียนว่ายาเกิด นี่เป็นพรที่พระเจ้าทุกๆพ่อของมอบให้กับพวกเราทุกวันทุกคืนแต่พวกเรากลับไม่อยากได้พรเหล่านี้เมื่อคราวเวลาขอรพอรอยากจะขอให้น้ำให้รวยขอให้เจริญในลาบยศเสรเสริญสุขกันซึ่งขอเป็นจวัดตายก็ไม่ได้ของพวกนี้ได้แล้ก็ต้องเสื่อมเป็นธรรมดาลาบยศเสรเสริญสุขนี่เป็นอยู่ภายใต้กฎของตายละอันนี้จังไม่เที่ยงอนัตตาไม่สามารถควบคุมบังคับมันได้ เวลานมันจะเสื่อมเมื่อไหร่มันก็เสื่อมได้พอเสื่อมก็จะทําให้เราทุกข์ขึ้นนะงั้นอย่าไปขอพอรด้วยการขอให้เจริญในราบยุเสื่อเสื่อสุขพระเจ้าไม่เคยให้พรแบบนี้นะพูจะเจ้าอยาให้พรด้วยการให้เราไปปิดประตูาบานปิดตบายด้วยการลกอ า, ายกับทาบาปไปสวรรค์ด้วยการสร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมไปนิพพานด้วยการชำระจิตใจให้สะอาดบ่อยสุด กำจัด ค, ความโลภความโกรธความหลงที่มีในใจให้หมดสิ้นไปนี่แหละเป็นพร อ, อนันปรเสริฐของพระพุทธเจ้าขอบพระคุณพระอาจารย์ครับพระอาจารย์ครับแล้วคำวามบบารมีนี้ในทางพระพุทธศาสนาบารมีก็คือบุญตา่ตางๆเอ่ยพ อ, อเราทําบุญชนิดนั้นชนิดนี้นมันทามากๆ ม, มันก็เป็นบารมี คือมันให้ผลตอบแทนที่มีพลัง ม, มากเขาเลยเป็นบารมีขึ้นมาเช่นอย่างพระเวชจสัสรด น, นสร้างทานบารมีด้วยการเสียสละทุกอย่างทรัพสมบัติเข้าของเงินทองลูกเต้าใครมาขอก็ยกให้เข้าไปแน้แต่ภรรยาก็จะยกให้บริเทวดามาห้ามไว้ก่อนนะครับแต่ท่านท่านยินดีที่จะเสียสละเพื่อประโยชน์สูงของผู้อื่นพอท่านตายไปท่านก็ไปเกิด บนสวรรค์ชั้นสูงสุดนะแล้วก็พอกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ข้ามาเกิดเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะบุญบารมีมาทำให้เป็นผู้มีบารมีเกิดในในชั้นที่สูงเป็นกษัตริย์เป็นต้นนี่หละเพราะว่าบารมีก็คืออํานาจของบุญบุญทำบุญแล้วก็จะได้บารมีได้อํานาจที่เกิดจากบุญ แต่ต้องทําแบบแบบพระโพธิสัตว์ทํากันนะไม่ต้องทําแบบสุดๆอย่างเป็นตอนที่เป็นพระมหาชโนกก็ไม่ยอมแพ้ความเพียรอยู่กลางทะเล ก, ก็ไม่ยอมแพ้ไม่ยอมจมหน้าตายไหว้ทำความเพียรสิ่งเหลนี้แหละเป็นสิ่งที่จะสร้างให้บุคคลนั้นมีบา ร, รมีมีพลังยำนาที่เหนือกว่าคนอื่นเขาทำอะไรที่เหนือกว่าคนอื่นเขาได้ เนี่ยมันเป็นพระพุทธเจ้านะก็อาศัยบารมีเนี่ยเคยฝึกเคยฝึกปัญญาบารมีเคยฝึกเนคขมารมีเคยฝึกปุเบคาบารมีมนาะพอถึงเวลาที่จะต้องออกบวยก็สละสมบัติได้อย่างง่ายด้ก็ต้องทําเองอยู่ดีไปขอไม่ได้อีกแล้วใช่มอาจารย์ใช่ทอย่างตามศาสนาเนี่เป็นศาสนาที่สอนให้ทําไม่ได้สอนให้ขอะั อัตตาหิอัตโนนาเถตอตนเป็นที่เพื่องของตนแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ไม่สามารถปฏิบัติให้กับเราได้พระพุทธเจ้าเพียงแต่บอกทางเท่านั้นเองส่วนเราต้องเป็นผู้ที่จะเดินทางทางสายการมัชฌิมาปฏิปทาเป็นต้นหรือทางแห่งบารมีสิทธิ์เนี่ยเป็นทางสู่การหลุดพ้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดขอบพระคุณพระอาจารย์ครับ วันนี้พระอาจารย์ยังไม่เหนื่อยนะครับไม่เหนื่อยสบายสบายมากขอโอกาสถามคําถามจากเพื่อนๆครับบอกว่าได้เช่าพระพุทธรูปเป็นของขวัญปีใหม่ให้แม่แต่แม่ไม่พอใจและบ่นรับหลังว่าไม่อยากได้บอกว่าพระถูกต้องตามเกณฑ์หรือเปล่านําเข้าบ้านจะทําให้เกิดเรื่องไม่ดีเรารู้สึกเสียใจมากแต่ไม่อยากโกรธแม่ควรวางใจอย่างไรดีครับก็เราต้อง ทำใจเฉยๆไปเราห้ามความคิดของคุณแม่ไม่ได้แม่เขาจะเชื่อจะมีศรัทธาหรือไม่อันนี้ก็เป็นเรื่องของของคุณแม่ซึ่งสิ่งที่เราต้องการก็คือเราอยากจะให้ของกับท่านไปส่วนท่านจะ ย, นยินดีไม่ยินดีนี่เราไม่ต้องไปหวังถ้าเราไปหวังแล้วเราก็จะเสียใจเวลาที่ท่านไม่ยินดีเราคิดว่าเราให้สิ่งที่ดีกับท่านแต่ท่านถ้าท่านไม่ยินดีก็ก็แล้วไป ก็ลองถามก่อนเดี๋ยจะเข้าต่อไปว่าคุณแม่ชอบอะไรอยากได้อะไรไม่ดีกว่าเลยครับให้ของดี่กาไม่ยินดีถึงมันจะดีวิเศษอย่างไรเขาก็ไม่เอาเหมือนกับให้ให้ให้พลอยกับไก่เนี่ยไก่ได้พลอยมันเขียดทิ้งหมดเขาจะยินดีฟานไก่ได้พลอยไหมไก่ปัญหากินมันก็คุยเคยหาตัวหนอนตัวไส้เดือนใช่ไหมแต่พอไปเจอเพชรพลอยขึ้นมมันก็เขียดทิ้งไปมันกินไม่ได้ มันไม่เห็นคุณค่าของเพชรของพลอยก็เหมือนกันที่เราให้พระพุทธรูปกับคุณแม่เนี่ก็เป็นเหมือนกับให้พระรัตนตรยัยให้เพชรให้พลอยกับท่านเพื่อท่านจะได้ใช้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใ จ, จเจริญพุทธานุสติเป็นต้นแต่ท่านกลับกลับไม่ศรัทธาท่านกลับไม่เห็นว่าอ่เป็นเป็นเป็นสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์กับท่านท่า น, นอะไรไม่อยากได้ก็ช่วยไม่ได้ งั้นถ้าก่อนที่เราจะให้อะไรกับใครนี่เราต้องศึกษาดูก่อนว่าเขาอยากได้อะไรแล้วเราก็ให้สิ่งที่เขาอยากได้ยกเว้นว่าถ้าสิ่งที่เขาอยากได้นั้นเป็นโทษกับเขาก็ไม่ควรที่จะให้เขาเช่นถ้าเขาอยากได้สุรายาเมวีเราก็ไม่ควรที่จะให้เขาให้อยากให้สิ่งที่เป็นคุณประโยชน์กับเขาถ้าให้เล้วเป็นโทษก็อย่าให้จะดีกว่า จะบอกเพื่อนเพื่อนทางทิกต็อกนะครับว่าสามารถส่งคําถามเข้ามาได้แล้วนะครับจะบวชลูกซื้อของขวัญซื้อของของวัดกลับไปซื้อของเองได้บุญเหมือนกันไหมครับคือซื้อของมาถึงยแบบนั้นถ้าซื้อของใช้การบวชนี่ถ้าทางวัดเขาจะจัดให้ก็ให้ทางวัดเขาจัดให้จะดีกว่าเพราะว่าแต่ละวัดนี่เขามีสีผ้าไม่เหมือนกันถ้าเราไปซื้อผิดผ้าแล้วเดี๋ยวก็ใช้ไม่ได้อยู่ดี แต่ว่าเขาก็มีเครื่องแบบของเขาเมันเป็นฐานเรือก็มีชุดฐานเรือฐานอากาศก็มีชุดฐานอากาศเดี๋ยวเราไปใส่ชุดฐานเรืออยู่ในอยู่ในกรมฐานอากาศแล้วก็อยู่กับเขาไม่ได้เดี๋ยวนี้พระแต่ละวัดน้อจะมีสีประจําของวัดเขาสายวัดป่าก็มีสีหนึ่งสายสายปริยัติก็มีสีหนึ่งสายวัดหลวงก็มีอีกสีหนึ่งเดี๋ยวนี้มีหลายสีด้วยกัน งั้ถ้าเป็นเรื่องของอัตรา บ, บริการถ้าทางว่าเขาจะจัดให้หถือว่าดีแล้วเอาเขากลัวเราไปซื้อของที่ใช้ไม่ได้แล้วเราจะเสียเงินเสียทองไปเปล่าๆดังนั้นถ้าเป็นเรื่องของอัตรา บ, บริการก็ให้เราให้ทางวัดเขาจัดให้ถ้าก็้าเขถ้าทางว่าจะจัดให้ก็ให้เขาจัดให้ถ้าก็ไม่จัดให้ก็ต้องถามว่าต้องเอาสีแบบไหนเอาตัวอย่างไปดูเปรียบเทียบเพื่อที่จะได้ใช้ของที่ถูกต้องตาม ตามระเบียบของวัดนั้นแต่ท่านเรื่องของการทําบุญทําทานนี่มันก็เราจะไปจัดซื้อหามาเองมาถวายพระ ก, ก็ได้โดยทางวัดก็มีของจัดเตรียมไว้ให้เราถ้าเราไม่อยากจะเสียเวลายุ่งยากเราก็เอาของที่ทางวัดจัดให้มาถวายก็ได้ก็ได้บุญเหมือนกัน ขอคำแนะนําครับสําหรับคารวะที่ไม่เข้าใจภาษาบาลีและมีเวลาจํากัดควรสวดมนต์ทำวัดช้าบูชาประตนะไตรยและพระปริศต่างๆด้วยบทแปลภาษาไทยที่สามารถเข้าใจความหมายดีกว่าการสวดภาษาบาลีไหมครับถ้าเราสวดตามลําพังของเราก็ได้สวดภาษาไหนก็ได้แต่ถ้าเราไปสวดร่วมกับคนอื่นเขาถ้าเขาสวดภาษาไหนเราก็ต้องควรสวดตามเขาไปถ้าสวดเองเนี่สวดภาษาไหนก็ได้ อย่างเราสมัยที่เราปฏิบัติเราก็ใช้เราก็สวดภาษาอังกฤษสติปัฏฐานสูตรเวลานั่งสมาธิตานั้นสติยังมีกําลังไม่มากเพราะนั่งเราใจมันคิดฟุ้งซ่านก็เลยใช้อูบายอ่ะสวดสวดสติปัฏฐานสูตรแต่มันเป็นภาษาอังกฤษสวดไปในใจท่องไปในใจตั้งแต่เริ่ม ต, ต้นไปถึงจดุดเกือบจะเสร็จ ก, ก็ประมาณสี่สิบกว่านาทีมันก็เลยทําให้จิตมีงานทํา เในงานที่จจรานสติพอสงบพอพอสวดเสร็จแล้วจิตก็รู้สึกสงบลงความทิดน้อยลงก็สามารถนั่งดูลมหายใจต่อได้เลยอาจารย์ครับภาษาอังกฤษเขาก็มีซ้ำเหมือนบาลีไหมครับอาจารย์มีเขาก็แปลซ้ำเหมือนกันทุกอย่างแต่เรารู้ว่ามันซ้ำเราก็ข้ามได้แล้วก็เพื่อให้มันกระชับหน่อยถ้าเราสวดของเราคนเดียวถ้าเราเข้าใจความหมายเช่นบางทีขันห้านี่ก็ เวทนาลูปังเป็นทุกข์เวทนาเป็นทุกข์เนี่ยมันมันได้เป็นต้องสามต้องห้าครั้งในการนี้แต่ถ้าเราบอกลูปังเวทนาสัญญาสังขารเป็นทุกข์คนเดียวก็จบไปมั <c oughs> นก็เหมือนกันธรรมะสามารถที่จะรักษาโรคร้ายได้ไหมครับถ้าเป็นโรคจิตรักษาได้โรคซึมเศร้าโรคเครียดเนี่ยโรคที่จะคิดฆ่าตัวตายอะไรทั้งนองเหล่านี้ย ถ้าสามารถเอาธรรมะเข้าสู่ใจได้ก็สามารถรักษาโรคเหล่านี้ได้แต่ถ้าเป็นโรคที่เป็นทั้งโรคของทางร่างกายนี้รักษาไม่ได้แก็ยังต้องสร้างโรงพยาบาลสงเลยคนสมัยนี้ทำไม่เป็นเลยครับเช่นเดี๋ยวนี้ทำอาหารอะไรก็ไม่อร่อยแล้วเพราะคุณยายบ่นบ่อยหลายอย่างทำไม่เป็นเลยเพราะอะไรครับ เพราะความที่อยากจะเอาเวลาไปทําอย่างอื่นคือไปหาเงินบ้างแล้วก็ไปใช้เงินกันไปเที่ยวกันไปสร้างความสุขกันก็เลยไม่อยากที่จะมาเรียนรู้ในเรื่องที่มันไม่ได้ไม่มีรายได้เช่นทํากับข้าวทําอะไรต่างๆเหล่านี้เองเราจะอาศัยเงินทองใช้เงินทองเป็นซื้อสิ่งต่างๆมากป็นสะดวกซื้อและเป็นร้านสะดวกซื้อกัน คนเราต้องการความสะดวกความง่ายความความเร็วตอบสนองตันหาของตนได้เร็วแล้วก็เวลาก็ไม่มีมากเพราะต้องเอาเวลาไปหาเงินหาทองกันในเหมือนสมัยก่อนนี่มีเวลามากเพราะไม่มีงานให้ทําไม่มีรายได้เยอะๆเหมือนสมัยนี้งานก็ไม่มากนี่แล้วมีเวลาว่างอยู่กับบ้านก็เลยใช้เวลาว่างนี่มาทำมาเรียนรู้วิชาที่ที่เราจะต้องเอามาใช้เลี้ยงปากเลี้ยงท้องเราทํากับข้าวขุมข้าว ทำอะไรต่างๆอมันเป็นคนยุคคนสมัยแนละ้วต้องยอมรับว่ามันมันเป็นคนละโลกแนละ้วเพื่อนเรียกเราว่ามืดเราก็โกรธเพื่อนเรียกเราว่าสําลีเราก็โกรธเราควรจะวางใจอย่างไรถึงจะไม่ทุกข์ไม่โกรธครับก็วางใจเฉยๆล้วห้ามเขาไม่ได้เขคิดว่าเป็นเหมือนเหมือนเสียงง ม, มพัดกันละกัน เสียงนกน้องเสียงอีกาล้องเสียงหมาเห่าแล้วก็ไม่ห้ามขอไม่ได้หมมันจะเห่าก็ปล่อยมันเห่าไปนกมันจะร้องกุปห่อดมันร้องไปแล้วก็มีหน้าที่ทําใจให้เราเฉยเฉยถ้าไม่เฉยเราก็ต้องใช้สติช่วยหยุดมันใช้คำอาริการพุทโธพุทโธไปสัมพันธ์หนึ่งใจก็จะนิ่งเฉยได้ใจเราตอนนี้ถูกอํานาจของกิเลสที่มันจะคอยอ มีปฏิจจัยยาต่อเสียงต่างๆถ้าเสียงที่มันชอบมันก็จะเกิดความยินดีขึ้นมาถ้าเป็นเสียงที่ไม่ชอบมันก็จะเกิดความไม่พอใจขึ้นมาดังนั้นเราต้องฝึกจิตฝึกสติให้จิตอยู่ก ล, งกลางๆ ใ, ให้วางเฉยระหว่างความยินดีกับยินร้ายอันนี้ต้องอาสายการฝึกสตินั่งสมาธิให้มีอุเบกขาขึ้นมาถ้ามีอุเบกขาแล้วก็จะเฉยได้ใครจะชมก็เฉยใครด่าก็เฉย มองว่าเป็นเรื่องของเขาไปมีความทุกข์ในความเจ็บป่วยครับเพราะเราไม่อยากให้มันเจ็บป่วยนั่นเองเราอยากให้มันหายความอยากนี่ที่ทำให้เราทุกข์ไม่ใช่ความเจ็บป่วยพระพุทธเจ้าพรนะนั่นนี่ท่านไม่ทุกข์กับความเจ็บป่วยเพราะท่านยอมรับความเจ็บป่วยท่านถือว่าเป็นเรื่องปกติของร่างกายที่เกิดมาแล้วต้องมีการเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดา ร่างกายเป็นอนาตตาไม่สามารถไปสั่งให้มันไม่ไม่เจ็บไายได้ป่วยได้เมื่อมันจะเจ็บไายได้ป่วยก็ต้องยอมรับมันไม่ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่มีความอยากให้มันไม่เจ็บไายได้ป่วยใจก็ยังไม่ทุกข์กับความเจ็บไายได้ป่วยการใส่บาตรออนไลน์ได้บุญไหมครับได้ได้เขาไม่ค้างว่าถ่ายให้กับเราเราเพียงแต่โอนเงินไปให้เขา เรากไ็ได้บุญที่เกิดจากการเสียสละซื้ออาหารใส่บาตรบุญนี้เป็นของเราแม่ค้าไม่ได้บุญแม่ค้าก็ได้เงินไปเ ข, เขาก็ได้รายได้ไปปีใหม่นี้ต้องทําอะไรเสริมดวงหรือเปล่าครับเพราะเนี่ยทาทําตามที่พระเจ้าสอนสามข้อเนี่ยอะไรยังทาบาปอยู่ก็พยายามละการกระทําบาปเสีย พยายามรักษาสี่ห้าให้ครบอย่าไปเสพอ บ, บายามุขเที่ยวกลางเคืองเลอนการพนันเป็นต้นมีความเกลียค้านสิ่งอันนี้มันจะพาให้เราไปทำบาปต่อไปถ้าเราละ ก, การการะทำบาปได้จิตใจเราก็จะสูงขึ้นเราจะรักษาความเป็นมนุษย์ไว้ได้แต่ถ้าเราไปทำบาปเมื่อไหร่จิตใจเราก็จะลดลงต่ำไปสู่การเป็นเดรัจฉานบ้างเป็นเปรตบ้าง เป็นสัตว์นรกบ้างดังนั้นถ้าเราอยากจะให้จิตใจเราดีขึ้นก็ถ้าเรายังทํำบาปอยู่ก็ให้นลดการกระทำบาปลงเพราะเราจะได้ยกระดับจิตของเราจากการเป็นเดรัจฉานเป็นเป็ดขึ้นมาเป็นมนุษย์แล้วถ้าเราอยากจะให้สูงกว่าการเป็นมนุษย์ก็ให้ทําบุญทําทานให้ช่วยสงเคราะห์ผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากเห น, นือยล้นหรือทำบุญทําทานกับผู้ที่มีพระคุณกับเรา เป็นต้นอันนี้ก็ย่อกระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้นจากมนุษย์ขึ้นไปเป็นเทพแล้วสูงกว่าเทพก็ยังมีอีกระดับหนึ่งที่ให้เป็นพรหมถ้าอยาไปเป็นพรหมก็ต้องไปถือศีลแปดไปฝึกสตินั่งสมาธิเข้าฌานให้ได้ถ้าเข้าฌานได้จิตเราก็จะขึ้นสู่ระดับพรหมแล้วถ้าอยากจะไปสูงกว่าระดับพรหมก็คือระดับของพระ อ, อริยะบุคคลเราก็ต้องเจริญปัญญาศึกษาอริยสัจ ส, สี่กับ ตายรักปณิจางทุกขัอนัตตาเพื่อให้เห็นว่าความทุกข์ทั้งหลายความเบลล์ร้ายทั้งหลายเกิดจากความอยากของใจถ้าไม่อยากให้ไปทําอะไรที่เบลร้ายไม่อยากที่จะทุกข์ไม่อยากที่จะย า, ยาวมาเวียนว่ายตายเกิดก็ให้กําจัดความอยากต่างๆด้วยการเห็นว่าสิ่งต่างๆที่ใจอยากได้นั้นเป็นทุกข์ทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงทุกข์เพราะเราไม่สามารถทําให้มันเที่ยงได้ให้เห็นตายรับในทุกสิ่งทุกอย่าง แล้วความอยากที่มีอยู่ในใจก็จะหมดไปใจก็จะเป็นใจที่สะอาดโดยสุดเป็นใจที่สูงสุดคือใจที่อยู่ในนิพพานไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปนี่สิ่งเป็นสิ่งที่เราทําได้กันขึ้น อ, อยู่ว่าเราจะทําหรือไม่เท่านั้นเองบวชใจกับบวชห่มผ้าเหลืองมีอานิสงส์ต่างกันไหมครับ มันก็ต้องบวชทั้งสองอย่างคื <c ười> อยาบวชใจแบบเป็นคาราวาสก็ได้เป็นพ้าก็ต้องบวชใจแล้วก็ห่มผ้าเหนียการหอมผ้าเหนียมันก็ดีอย่างคือมันได้ทําได้ได้บวชอย่างร้อยเปอร์เซ็นได้ไดมีเวลาปฏิบัติทําได้ร้อยเปอร์เซ็นแต่ถ้าเป็นคาราวาสนี่มันต้องแบ่งเวลาไปให้กับการทําวาหากินเนื้ปากเนืท้อ ง, องเวลาที่จะมาบวชมามาปฏิบัติทางใจมันก็จะมีเวลาน้อยเท่านั้นเอง การบวช ท, ที่แท้จริงต้องบวชที่ใจไม่ใช่บวชที่ร่างกายไม่ได้บวช ท, ที่เครื่องแบบอยากหายทุกใจครับก็ละตัดกิเลสให้หมดตัดความโน้มความกดความหลงตัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจเรานั่งเฉยๆสักหกชั่วโมงได้ไม่ต้องไปทําอะไรดูเนี่ยเป็นการฝนสู้กับความอยากเดิมคิดว่าเรากำลังนั่งนั่งเครื่องบินเดินทางไป ต้องระยเวลาใช้เวลา6ชั่วโมงแล้วเป็นเครื่องบินสมัยเก่าไม่มีไม่มีเอนเตอร์เทนนาไลนให้ดูไม่มีภาพยนตร์ให้ดูไม่มีน้ําไม่มีของดื่มของอาหารมาให้กินให้นั่งเฉยๆไป6ชั่วโมงนอกจากถ้าอยากจะเข้าห้องน้ําก็เดินไปเข้าห้องน้ําได้ถ้าหิวน้ํากาวน้ํามาตั้งไวท้ที่ที่ที่เก้าอี้ที่เรานั่งแล้วนั่งเฉยๆสัก6ชั่วโมงสกัดความอยากต่างๆ อยากจะลุกไปทํำนู่นอยากจะลุกไปเดินไปนู่นอยากจะไปดูนั่นอยา่อาไปฟังนี่ตัดมันไปให้ถ้าเราชนะความอยากได้แล้วความทุกข์จะลดน้อยลงไปมากทีเดียวถ้าเรามีจิตฟุ้งซ่านเราควรทําอาณาปานสติหรือต้องฟังธรรมครับบางครั้งจิตฟุ้งมันเลยครับอ๋อต้องเจริญสติก่อนก่อนที่จะมานั่งสมาธิ ถ้าเราไม่เจริญสติไม่คอยควบคุมความคิดมันก็จะฟุ้งไปเรื่อยๆทั้งวันพอมานั่งสมาธิก็ไม่สามารถที่จะทําให้มันหายฟุ้งได้ต้องทําให้มันหายฟุ้งก่อนที่เราจะมานั่งสมาธิต้องมีพุโทโธบริกรรมพุโทโธไปทั้งวันเลยพอลืมตาขึ้นมาเราก็เริ่มบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปคอยสกัดกั้นความคิดต่างๆไม้มันเกิดขึ้นนอกจากว่าถ้าเรามีความจําเป็นจะต้องคิดเรื่องอะไรก็หยุดพุดโทโธไว้ชั่วกล่าวแล้วก็คิดเท่้งที่จําเป็นให้เสร็จสัดไป มาเสร็จแล้วเรากลับมาพุโทโธต่อถ้าเราคุมความเครียดได้เวลานั่งสมาธิมันจะไม่ฟุง้งแล้วมันจะสงบได้ง่ายสงบได้เด็วแล้สงบได้นานช่วงที่พระอาจารย์ได้ปฏิบัติธรรมกับหลวงตาช่วงที่กิเลสทํางานเยอะและห่างจากการฟังธรรมพระอาจารย์จัดการกิเลสในระหว่างนั้นอย่างไรบ้างครับ เวลาหนูทํางานเยอะๆหนูจะมีการขี้เกียจบ้างเนื่องจากเหนื่อยจากงานแต่บังคับตัวเองทําภาวนานเรื่อยๆครับวเวลาอยู่ในโรงงานนี่เราจะริกสติตั้งแต่ตื่นจนหลับทุกวันไม่ไม่มีเวลาไหนที่จะเผลอจากการไม่มีสติเลยคอยควบคุมความคิดตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราไม่ค่อยมีปัญหากเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติธรรมเท่าไหร่เพียงแต่ว่าอาจจะอาจจะมีความเพียนมากบ้างน้อยบ้าง เนื่องจากบาเวลาสติเราหย่อนยานลงไปหน่อยความเพียรก็เลยก็เลยช้าหน่อยแต่พอได้มาได้ยินได้ฟังธรรมที่หลวงตาท่านเรียกอบรมทุกประมาณทุกอาทิตย์เนี้ยเราได้ทำทันก็เหมือนกับต้นไม้ที่ได้ได้น้ําจิตใจก็ได้ทําของที่ท่านแสดงมันก็เกิดมีพลังกิจขึ้นมาใหม่น้องมีความตบตีกระเป๋ามีความมีวิริยมีความเพียรเพิ่มขึ้น กลับไปจัหลังจากฟังเทศแล้ว ก, กลับไปเดินจงกรมนั่งสมาธิต่อได้อีกหลายชั่วงเหมดดือนกันท่านท่านจะปฏิบัตนะิอย่างไม่มีปัญหาก็ต้องต้องเจริญสติสลับกับการนั่งสมาธิทั้งวันทั้งคืนเลยเพราะเป็นพระแล้วเนี่ยไม่มีงานต้องแถโดยเฉพาะที่วัดป่าบรรจานี้ท่าไม่มีกิจที่หมดอะไรท่าก็ทํางานก่อสร้างก็ไม่มีมีแต่งานภารกิจจำเป็นก็คือบินฑบาดแล้วก็ฉัน ชันเสร็จก็ปล่อยให้กลับไปอยู่ที่กุฏิให้ไปเจริญสตินั่งสมาธิไปจนถึงเวลาบ่ายก็มาปัดกวาดลานวัดกันเวลาปัดกวาดลานวัดก็เจริญสติทําไปด้วยสติเสร็จแล้วก็มาพักนั่งชันน้ำปะนะกันเวลาสัก15นาทีครึ่งชั่วโมงแล้วก็แยกกันกลับไปที่พักไปส่งน้ําเสร็จแล้วก็ไปเดินจงกมนั่งสมาธิถึงประมาณสี่ทุ่มก็นอนถึงตีสองตีสาม เกิดขึ้นมาก็ลุกือ้นมาเดินโยกมนัติสมาธิจดถึงเวลาออกบิณฑบาตชีวิตประจําวันที่ว่าตาบันตาดทำแค่นี้ไม่ได้ทำอย่างอื่นตรงเวลาอาจจะมีเวลาว่างอยากยังเรียนรู้ก็มีหนังสือธรรมะของท่านไม่ต้องรอให้ท่านเทศไม่ต้องรอให้ท่านเรียกไปอบรมมีหนังสือดีๆให้อ่านท่นเกียนประวัติของปู่มั่นก็าด้อ่านหนังสือประวัติของปู่มั่นปฏิปทาพระทุนงก ร, รมฐานอันนี้ก็เป็นการเสริมปัญญาเสริมความรู้ ต่างๆให้มีความาละเอียดมากขึ้นให้มีความรู้ความว广า ม, มากขึ้นแต่โดยหลักก็เสดจริญสติคำนั่งสมาธิเดินโมคุมนั่งสมาธิอาจารย์ครับตอนเจริญสตินี่คือพระอาจารย์พุโทโธหรือว่ารู้กายครับอาจารย์ครับรู้กายเป็นส่วนใหญ่ดโดยวุเรียบบทของการเคลื่อนไหวเป็นส่วนใหญ่จับอยู่ตลอดเวลาเลยใช่ไหมครั บ, รบทุเรียาบทเลย กำลังลุกคึ้อยู่ก็ลุกกำลังจะยืนกำลังเดินก็ลกลังเดินกำลังหยิบของขึ้นมาก็ลุกําลังหยิบของขึ้นมาทํำในทุกอย่างทุกทุกการเคลื่อนไหวของร่างกายผูกใจไว้จะอยู่กับร่างกายไม่ปล่อยให้ใจไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ความคิดภู้งซ่านต่างๆก็ไม่ค่อยมีนิวรต่างๆก็ไม่ให้เกิดแล้วพอนั่งอาจารย์ใช้คําบริกรรมอะไรไหมครับพอาจารย์ใช้ดูลมหายใจเลย ถ้าถ้าถํานาแล้วสติมากแล้วไม่ต้องสวดไม่ต้องอะไรแล้วแค่ไหนนั่งดูลงหายใจแป๊บเดียวมันก็สมบแต่ใหม่ๆนี้ตอนเริ่มต้นใหม่ๆนี้ต้องสวดสติปัฏฐานสูดต้องท่อภาษาต้องท่องสติปัฏฐานสวดแล้วค่อยค่อยดูลงต่อไปแล้วถ้าเกิดนั่งแล้วเจอทุกขเวทนาก็ใช้คําบริกรรมช่วยเขาดูลแล้วมันจาม สต์มันไม่ค่อยกระชับหมือนกับการใช้คาบริกรรมถ้ยายังฟันฝ่าทุ ก, กเวทนากับริกรรมพุดโธพุดโ ท, ดโทไปสภาพจิตก็จะสงบแล้วอาการเจ็บปวดก็ไม่มาลบควนใจสามารถอยู่กับมันได้ทำยังไงถึงจะเลิกโกรธแค้นได้ครับอาจารย์เรื่องมันก็นานหลายปีแล้วหนูยังทุกใจร้องห้อยู่เลยครับเพราะไม่มีสติควบคุมความคิดของเราเนี่ย เราโกรธพอเราไปคิดถึงเรื่องที่ทําให้เราโกรธถ้าเรามีสติเราก็ว่ า, าคิดเรื่องที่ทําให้เราโกรธแล้วก็หยุดค้างคิดทั้งเสียถ้าเราไม่มีสติพอที่จะหยุดมันเราก็ใช้คําบริกรรมพุทโธช่วยบริกรรมพุทโธพุทเธอพื่อเสริมสติพอเราอยู่กับพุทโธไปสภาพความคิดที่ทําให้เราโกรธก็จะหายไปแต่นี่ก็เป็นการแก้แบบชั่วครั้งชั่วคราวมันไม่หายขาดถ้าอยากจะใหายขาดก็ต้องกลับมาใช้ปัญญาพิจารณาว่า สิ่งที่การที่เราไปโกรธเขาเพราะว่าเราอยากให้เขาทําอะไรขึ้นมาอย่างได้อย่างหนึง่งเขาก็ไม่ทําตามที่เราอยากเราก็เลโยโกรธเขาเท่านั้นเองแ ล, เอเแล้วก็เราอย่าไปโทษเขาแล้วต้องมาโทษตัวตัวเราเองที่ไปอยากให้เขาทํานู่นทำนี่ให้กับเราพอเขาไม่ทําแล้วเราไปโกรธเขาเราก็มาปลี่ความคิดเราหยุดความอยากให้เขาถทำตามความอยากของเราเราก็จะหาให้โกรธวันเขาทําไปเขาอยากจะทำอะไรก็เรื่องของเขาเราควบคุมบังคับเขาไม่ได้ เขาเป็นใจรักพ่อของเงินลูกหลายแสนไปใช้ในทางมิตรลูกไม่ให้เงินทำร้ายลูกลูกแจ้งความบาปไมครับจะทำอย่างไรให้พ้นเวรกรรมนี้ได้ครับคือถ้าไปไปแจ้งความก็เปการไปอาคาตพยาบาลเป็นการจองเวรจองกรรมกันถ้าอยากจะให้กรรมมันหมดก็ทนรับกรรมไป ท่านจะทําร้ายก็ปล่อยให้ท่านทำร้ายไปคิดว่ามูลคุณของท่านนี้มีมากาที่เรายอมที่ย้ายก็ท่านทําร้ายเราไม่ได้ท่านจะฆ่าเราก็ยอมให้ท่านฆ่าไปเราวเวกรรมมันก็จะบวชขึ้นไปแต่ถ้าเราไปกลับไปทําร้ายท่านเนีกมันก็จะเป็นการจองเวรจองกรรมนั่เป็นการทําบาปทำกรับต่อกันด้วยยังไม่ควรควรใช้ความเมตตาตการไม่จองเวรกันการให้อภัยกัน อยอมลับว่านี่อาจจะเป็นมิบา ก, กรรมของเราแน่เด็กเราอาจจะเคยทำร้ายพ่อพ่อมาก่อนครั้นี้ก็าเลยก็มาถามเราถาม ค, คิดว่าใช้กรรมไปแล้วกันบุญตัดหลายลูกนิมิตมีอ น, นิสงส์แบบใดครับมันไม่มีหรอกมันเป็นพิธีกรรมคือมันเปมนพิธีกรรมของสงฆ์เวลาสงฆ์จสร้างอุโ บ, บสถต้อง ต้องต้องกําหนดเขตวิธีกําหนดเขตก็เห็นในในไปวางไว้เป็นเป็นจุดต่างๆและสี่มุมนี้ก็วันเนี้เขตบริเวณที่อยู่ในเขตของเห็นสีกนส่ก้สี่ก้านี้ก็เป็นโบสถเป็นที่ทําพิธีกรรมนแต่ทําไมนี้เขาก็ทําเป็นพิธีเพื่อเจะหลอกล่อให้คนมาทําบุญว่าจะจัดดุ๊นี้ไม่น่าจะได้บุญมากมันต้องจ่ายเงินมากมันจะให้ตัด มันไม่มีหรอกสมัยก่อนมันไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับาญาติโยม ก, การการกําหนดที่การกําหนดเขตของพระอุโบสถนี่เป็นเรืร่อง e er ของสองฆ์สองฆ์จะทําทอุโบสถก็ต้องมีการกําหนดเขตรบริเวณที่จะทำํำก็เหมือนกับคุณหมอมีสภาใช่ไหมเวลาจะประชุมก็ต้องไปรชุมประชุมที่สภาไม่ใช่ประชุมนอกสภากันสองฆ์จะทําทพิธีกรรมก็ต้องทำในในอุโบสถกนะารเยาว์ธรรมอุโบสถก็ต้องกําหนดเขตขึ้นมา แล้วก็มันจาเป็นจะต้องเป็นสร้างเป็นตัวอาคารสมัยก่อนอาจจะกําหนดเอาหินสีก้อนมาตั้งเป็นอนุลักษณ์คืออุโบสถเวลาจะทำนั่งปฏิโมกมาสวดปฏิโมกข์ก็มานํ้างเวรที่นี่ทำให้มันมีเขตนี่เป็นกิจจารักษณะไม่ใช่ไทยทํำกันแบบสุ่มๆ ม, มาอกจะทาที่ไหนก็ทํากันเท่านั้นเองเหมือนใบเสมาอย่างนั้นไหมครับอาจารย์ที่กาหนดเขตก็คือใบเสมาด้วยไหมครับ ใบเสมานี่เราไม่ทราบนะว่ามันเป็นยังไง <laughs> เขาที่ลูกเสมาครับ <c oughs> เสมานี้อาจจะหมายถึงเขตหรือเปล่าเ <c oughs> ขตทั้งอุโบสถหรือเปล่า <c oughs> แต่แต่ที่ที่เป็นหินเนี่ยลูกก้อนหินก้อนนี้นี่ก็เป็นสมัยก่อนเขาก็ใช้หินเป็นการวางไว้กหาหนดเขตมุม <c oughs> สี่มุมนี้นนยว่าเป็นเขตของพระอุโบสถแค่นั้นเ พุทธศาสนาวันนี้ไม่มีไม่มีพิธไม่มีไม่มีอะไรไม่มีพิธีกรรมต่างๆพิธีกรรมต่างๆเหล่านี้มันม า, มนมาทีหลังทำไมพุทธการนี้ไม่มีพิธีกรรมมากมายการมีสติอยู่ที่ปัจจุบันทําอย่างไรครับก็ต้องอยู่กับสิ่งที่อยู่ในปัจจุบันเลยสิ่งที่อยู่ในปัจจุบันก็คือร่างกายของเราเอง ร่างกายเรานี่มันอยู่ในปัจจุบันตลอดเวลามันไปอดีตไม่ได้มันไปอนาคตไม่ได้มีแต่อดีตมีแต่อดีตหนีหนีจากมันไปแล้วอนาคตมันวิ่งเข้ามาหาเอแต่แต่ร่างกายนี้มันอยู่ในปัจจุบันตลอดเวลาถ้าเราจิใจเอกับร่างกายใจเราก็อยู่ในปัจจุบันหรือถ้าเราอยากจะใช้อย่างอื่นก็ได้เช่นเราบริกรรมพุทโธทําบริกรรมพุทโธนี่ก็เป็นปัจจุบันถ้าเราพุทโธพุทโธใจมันก็จะอยู่ในปัจจุบัน มันก็จะไปคิดถึงอดีตไม่ได้ไปคิดถึงอน า, าคตไม่ได้แต่ถ้าเราไม่มีอะไรยึดเหนี่ยวจิตใจไว้เ <c oughs> ช่นร่างกายหรือคำวิจารณ์พุทโธมันก็จะแวะไปคิดถึงอดีตที่ผ่านมาจะแวะไปคิดถึงอน า, าคตที่ยังมาไม่ถึงนี่แสดงว่าใจไม่ได้อยู่ในปัจจุบันใจไปอดีตบ้างไปอนาคตบ้างถ้าอยากจะให้อยู่ในปัจจุบันต้องมีอะไรผูกใจไว้เหมือนกับบัวควายนี้ถ้าเราอยากจะให้มันอยู่กับที่เราก็ต้องผูกมันไว้ ผูกเชือกไว้กับเสาหรือต้นไม้มันก็จะไปไหนไม่ได้แต่ถ้าเราไม่มีเชือกผูกไว้เนี่ยมันก็ไปตามภาษาของมันมันอยากจะไปไหนมันก็ไปจิตก็เหมือนกับวัวควายเนี่ยจิตที่ยังไม่ได้ฝึกผนอบรมมันจะเป็นเหมือนวัวควายมันจะอยู่ไม่มันจะไม่ยอมอยู่กับที่มันจะไม่ยอมอยู่กับปัจจุบันมันชอบไปตามอารมณ์คิดถึงอดีตบ้างคิดถึงอนาคตบ้างคิดถึงคนนั้นบ้างคิดถึงคนนี้บ้างแล้วก็ไปไปตามความคิดนั้นๆ เราต้องฝึกสติต้องมีกรรมฐานเป็นอารมณ์กรรมฐานก็คืออารมณ์ที่เราใช้ผูกจิตเช่นร่างกายนี้ก็เป็นกรรมฐานอย่างหนึง่งถ้าเราผูกจิตไว้กับร่างกายเราก็เรียกว่ากายกตาสติถ้าเราผูกกรรมฐานไว้กับกับพระพุทธคุณกับพระพุทธเจ้าเราก็เราก็บรกิกรรมพุทโธพุทโธไปถ้าเราจะผูกจิตไว้กับลมหายใจก็ก็เป็นอานาปณะสติ ธาตุรู้กับวิญญาณเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรครับคือวิญญาณนี่มีสองความหมายนะความหมายหนึ่งคือตัวธาตุรู้ตัวธาตุรู้ที่เวลาไม่มีนั่งกายเราก็จะเรียกว่าวิญญาณแต่เวลาที่มีนั่งกายเราก็เรียกลงขิตลงใจเวลาธาตุรู้มาเชื่อมกับร่างกายที่ตอนนี้พวกเราธาตุรู้ของเรานี่เราจะเรียกว่าใจใจคิดนั่นใจคิดนี่เจ็บคิดฟุ้งซ่าน ใ, ใจใจสับ หายเศร้าสร้สอย ห, หงอยเงาคือจิตใจนี่คือท่านรู้แต่เวลาที่ไม่มีร่างกายนั่งตายไปท่านรู้นี้ก็เปลี่ยนชื่อเป็นดวงวิญญาณเราเรี้กวดวงวิญญาณท่านท่านไปสู่สุคติแล้วเป็นต้นก็ก็เป็นท่านรู้อันเดียวกันอันนี้คือความหมายของท่านรู้ที่มีสองความหมายแล้ยังมีท่านรู้มีมีคําว่าวิญญาณอีกอันที่เป็นเป็นอยู่ในอยู่ในอยู่ใน อยู่ในธาตุรู้คือความสามารถที่เราเรียกว่าวิญญาณนขครับวิญญาณนี่เป็นผู้ที่ส่งกระแสไปเกาะที่เกาะเกาะที่ตาหูจมูกนิ้วเท้าของร่างกายใจกับร่างกายไม่ได้อยู่ที่เดียวกันไม่ได้ไม่ได้เข้ามาใจไม่ได้อยู่ในร่างกายใจเป็นเหมือนโทรศัพท์มือถือร่างกายก็เป็นเหมือนโทรศัพท์มือถืออีกเครื่องหนึ่งอยู่คนละที่กันแต่เชื่อมต่อด้วยกระแสวิทยุใช่ไหม เวลาที่เราติดต่อทางมือถือนี่สองเครื่องนี้ต้องใช้สัญญาณวิทยุสัญญาณโทรศัพท์ขันในใจก็มีสัญญาณที่จะเชื่อมต่อกับร่างกายสัญญาณนี้เราเรียกว่าวิญญาณวิญญาณขันมีอยู่ห้าเส้นด้วยกันคือวิญญาณนี้จะเกาะที่ตาหูจมูกดินกายมีห้าเส้นวิญญาณขันมีตา ตาวิญญาณจักขรวิญญาณโสตวิญญาณเป็นต้นเนยอันนี้ก็เป็นวิญญาณห้าสา ย, าสายด้วยกันที่มาเชื่อมต่อกับร่างกายเพื่อจะได้รับข้อมูลเวลาลูกเสียงกินด้วยอดทป้ามาสัมผัสกับตาหูจมูกนิ้วกายใจก็จะได้รับรู้ได้ว่า อ, อ๋อตอนนี้เห็นลูกแล้วได้ยินเสียงแล้วแล้วใจก็ใช้สังขารความคิดตวงแต่งสั่งการให้กับร่างกายเวลาต้องการให้ร่างกา ย, กายไปหยิบของมาเห็น เห็นของนี่สวยน่ารักก็สั่งให้ไปหยิบมาหรือไปซื้อมาเป็นต้นอันนี้ก็สังขารความคิดปรุงแต่งดังนจะถ้ารู้นี้นอกจากมีความสามารถที่จะรู้แล้ว ย, ยังมีความสามารถอีกสอย่างที่เราเรียกว่านามขันสี่สังขารคิดความสามารถคิดปรุงแต่งสั่งการให้ร่างกายทำอะไรต่างๆได้คือสังขารเวทนาคือคสามารถรับความรู้สึกต่างๆได้เวลาร่างกายเจ็บ ปวดก็รู้ว่าเจ็บเวลาร่างกายไม่เจ็บเวลาร่างกายสุขก็รู้ว่าสุขเป็นต้นอันนี้จะเป็นความสามารถอันที่สามก็คือความจําได้หมายรู้สามารถจําได้อดีตที่ผ่านมาเวลาตาเห็นอะไรเห็นรูปอะไรก็สามารถหมายรู้ได้ว่าเป็นอะไรเป็นคนเป็นหญิงเป็นชายอะไรเป็นต้นอันนี้เป็นความสามารถของธาตุรู้และอันที่สี่ก็สามารถเชื่อมต่อครับตาหูจมูกที่กายได้ นี่ก็คือความสามารถของ่านลรูกมีทั้งหมดห้าอันด้วยกันคือสามารถรู้แล้สามารถคิดสามารถมีความรู้สึกสามารถจำจาจาอะไรได้แล้วก็สามารถเชื่อมต่อกับตาหูจมูกนิ้กายได้ที่ต่างกาันคือนามัขันสีนี่มันเป็นของที่เกิดดับเกิดดับเปลี่ยนไปเปลี่ น, นอยู่ตลอดเวลาแต่ตัวรู้เองนี้ไม่เปลี่ยนรู้อยู่ตลอดเวลา ก่อจะเข้าใจไหมเ <L eg est ive> ข้าใจครับอานิโารเนี่ยมีความสามารถอยู่ห้าห้าอย่างด้วยกันห้าความสามารถสี่ความสามารถนี้ไม่เที่ยงเกิดดับเกิดดับเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเวทนาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาสังขารคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาสัญญาจํำนั่นเรื่องนั้นได้จำเรื่องนี้ไม่ได้วิญนานก็ไปรับรูปเสียงกีรรถที่เข้ามารูปเสียงกีิรถที่เข้ามาก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา นามขันธ์สีนี้ไม่เที่ยงเป็นอนิจจังเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแต่ใจนี้ผู้รู้นี่มันเป็นตัวเที่ยงตัวรู้นี่มันเที่ยงตลอดเวลาแต่มันไม่แต่มันก็ไม่ใช่ตัวย์ตนมันก็เป็นธาตุรู้ท่า น, นเองเราอุทิศบุญให้พ่อแม่ที่เสียไปนานแล้วหากท่านมีบุญมากอยู่แล้วไม่ได้มารอรับบุญที่เราอุทิศนั้นจะไปไหนเมื่อไม่มีคนรักครับ ก็กลับมาหาเรามันเราส่งของไปทางไปเสน่์ถ้าไม่มีผู้รับเขาก็จะส่งกลับมาให้กับเจ้าของพันหลังก็าเรียก Return to Sender สมไมก่อนมีเพลงของ Elvis มีเพลงชื่อ Return to Sender <laughs> Elvis ส่งจดหมายรักไปให้แต่ไม่มีไม่มีใครรับก็เลยต้องส่งกลับมาถ้ <laughs> าเมานตลองเพลง Return to Sender เคยได้ยินไหมผมไม่เคยได้ยินครับอาจารย์ <laughs> <laughs> ต้อไปหาเองครับผมเอวิสนี่เคยฟังตอนเด็กๆหลายเพลงครับคุณพ่อชอบ mm. ครับแต่เพลงนี้ไม่ค่ะ Return to Sender ถ้าเรากำลังแพ้กิเลสภายในใจของเราเบื่อการปฏิบัติในรูปแบบอย่างสม่ำเสมอจะต้อง ร, รีบปรับใจอย่างไรดีครับ ก็ต้องทำใจว่าเราต้องสู้มันนะ่ะเพียงแต่ว่าตอนนี้เราอาจจะกำลังยังไม่มากพอเราก็อย่าไปหวังผลมากเราก็ทำไปตามกำลังของเราก่อนสร้างพลังของเราให้มีมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งเราก็จะมีพลังมากพอที่จะสามารถโค่นมันได้ตอนนี้เราเป็นเหมือนนักมวยผู้ฝึกหัดใหม่เราจะไปสู้กับแชมป์โลกมันก็คงจะยากที่จะชนะในยกแรกเลยในไฟแรกเลยก็ต้องถูกเขาซ้อมถูกเขานั่อยู่เรื่อยๆ อย่ถ้าเราเป็นคนที่สู้ไม่ถอยพยายามกลับมาฝึกฝนลมต่อไปเอาบทเรียนที่เราแพ้มาฝึกมาสอนเราว่าเราพลาดตรงไหนผิดตรงไหนแล้วเราก็มาแก้ไขดัดแปลงมาฝึกซ้อมให้มีมากขึ้นไม่ช้าก็เลยเราก็ต้องชนะมันได้พระพุทธเจ้าว่าัทุกคนก็เหมือนกันแพ้กิ่เลตมาไม่รู้กี่ร้อยกี่แสนยกละแต่พอชนะมันหนเดียวมันสบายเลยดังนั้นอย่าท้อถ้าตัดได้เราไม่ท้อเราไม่ถอย ตอนตุต้งชนมันอ ย, อย่างแน่นอนเป็นจัตวาชาหรือจ่าเบลเท่านั้นเอคนเราเกิดมาหลายพบหลายชาติแล้วนี่คือเรื่องจริงใช่ไหมครับแล้วทําไมเวลาเกิดใหม่แล้วถึงลืมเรื่องราวต่างๆครับเพราะความจำเรามันสั้นไงเมือ่อวานนี้เรากินอะไรจําได้ปะ่ะนอนหลับเหตุการณ์ตั้งแต่เช้าตื่นขึ้นมาจนถึงตอนนอนหลับนี่ทําอะไรน้างจาได้ทุกขั้นตอนทุกเวลาหรือเปล่าจําไม่ได้หรอ เพราําำจำเราสรัา้นแ้อีอย่างหนึง่งเราไปรับข้อมูลใหม่เข้ามาอยู่เรื่อยๆวันนี้เราก็ได้คนพูดเรืงนั้นคนพูดเรืงนี้เห็นรูปเห็นรูปเห็นเรื่องอะไรต่างๆมันเข้ามามีข้อมูลใหม่ๆมาไอข้อมูลเก่าที่เราทําได้รับรู้เมื่อวานนี้มันก็ถูกกลบไปหมดนอกจากว่าถ้าเรามีพลังจิตเรามีสมาธิสามารถทําจิตให้เง่งแล้วสั่งการให้มันย้อนกลับไปในอดีตมันเราเลือกชาติได้ ขณะที่นั่งสมาธิแผ่เมตตาไปด้วยได้ไหมครับเวลานั่งสมาธิไม่ต้องการให้ทําอะไรเลยต้องการให้จิตนิ่งอย่างเดียวนไม่ให้คิดไม่ให้แผ่เมตตาไม่ให้ทําอะไรนะให้จิตหยุดคิดการจะหยุดคิดก็ต้องมีสติคอยบังคับให้อยู่กับอารมณ์กรรมฐานใดกรรมฐานหนึ่งจะอยู่กับลมหายใจเข้าออกให้รู้อยู่กับลมหายใจอย่างเดียวถ้าอยากจะแผ่เมตตาเราให้เราเลิกจากการฝึกสมาธิก่อน ถ้าเราไม่ทําสมาธิเช่นตอนนี้จะนั่งแผ่เมตตาให้กับใครก็ได้แต่การสวดนี้ไม่ใช่เป็นการแผ่เมตตาการแผ่เมตตาต้องเป็นการกระทํำหรือเรียกว่าเป็นการแผ่เมตตาเช่นเราต้องเอาของไปให้ให้คนนั้นคนนี้เช่นปีใหม่ส่งของขวัญมาให้เขาอันนี้แหละเปนการแผ่เมตตาส่งความสุขให้กับเขาเนี่ยไม่ใช่นั่งเฉยๆแล้วคิดว่าขอให้เธอมีความสุขนะอย่างวันนี้เราเราแผ่เมตตาคุณหมอคุณหมอกูไหมไม่รู้ใช่ไหม ปีใหม่นี้ขอใคุณหมอมีความสุขมากๆนะไม่รู้หรอกต้องเกิดจากการกระทำหรืออย่างน้อยก็เกิดจากการพูดโทรไปหาคุณหมอแล้วบอกคุณหมอปีใหม่นี้ให้พรคุณหมอให้มีแต่ความสุขความเจริญเราคุณหมอได้ยินแล้วคุณหมอก็มีความสุขใจขึ้นมาอันนี้เป็นการแผ่ต้องแผดรรดวว่ด้วยการกระทำํำด้วยวาจาด้วยการกระทําทางร่างกายอย่างใดอย่างหนึ่งถึงยังไม่มาเป็นการแผ่เมตตาการสวดบทแผ่เมตตาทีา่เป็นการภาวนาเป็นการทําสมาธิแบบหนึ่ง โดยการใช้ บ, บทสวดแทนเมตตามัเป็นอารมณ์แทนที่จะใช้กำเริยกคำพุทโธเป็นต้นเมื่อเห็นทุกข์ก็เห็นธรรมช่วงวัยสี่สิบจึงสนใจศึกษาธรรมช่วงยี่ิปีที่ผ่านมาเน้นการทำทานมากรักษาศีลเจริญภาวนาแต่ปัจจุบันอายุมากแล้วต้องเก็บเงินไว้ใช้ยามแก่จึงทำทานได้น้อยลงแต่ยัง <Hey. S 2> คงรักษาศีลและปฏิบัติธรรมอยู่เสมอ จะส่งผลให้ทานบา ร, รมีน้อยลงตามไปด้วยไหมครับก็น้องก็ไม่เป็นไรถ้าเราถ้าเราได้ปฏิบัติธรรมเราได้บา ร, รมีที่สูงกว่าที่ดีกว่าทานบา ร, รมีก็คือเราได้ปัญญาบา ร, รมีเพราะเราทานนี้ไม่สามารถทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ต้องเป็นปัญญาบา ร, รมีที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ยิง่งคนที่เขาคนที่เขาไปเป็นนักบวชแล้วเขาไม่สนใจเรื่องการสร้างทานบา ร, รมี เขาสนใจในเรื่องการสร้างสติสมาธิปัญญาบาลมีกันแทนถือศีนที่บ้านเหมือนคําที่วัดไหมครับก็แล้วแต่เราถ้าเรารักษาที่บ้านได้รักษาที่วัดมันก็เหมือนกันคือถ้าเราไม่ทําบาป ท, ที่วัดได้หรือไม่ทําบาป ท, ที่บ้านได้มันก็เหมือนกันมันอยู่ที่การกระทําวัดทําได้หรือไม่ไ ด, ไได้ไม่ได้อยู่ที่สถานที่ แต่สถานที่อาจจะมีส่วนที่ทําให้เราทําได้ง่ายหรือยากก็ได้เช่นถ้าเราถือสินแปะไม่กินข้าวเย็นแล้วรักษากสินที่บ้านแล้วคนอืนเขากินข้าวเย็นอยู่นี่เดี๋ยวคนทั้งคนนี้ก็ชวนพี่ี่มากินหน่อยเถอะนะมากินหน่อยเถอะหร้อเราเห็นเขากินแล้วน้ําลายไหลขึ้นมาเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ตบะแตกสู้กินเลสไม่ได้ก็ต้องก็ต้องไปกินกับเขาแต่ถ้าเราไปอยู่ที่วัดเนี่ยคนทุกคนไม่มีคนกินข้าวเย็นกันก็เราไม่มีใครมายั่วยวน ใจเราให้เราไปกิดข้าวกันมันก็จะง่ายกว่านี่พูดเปรียบเทียบให้ฟังการสวดมนต์อยู่ที่บ้านของผู้ป่วยที่เขาบาดเจ็บไม่สามารถนั่งประเพียบได้สามารถนั่งเหยียดขาหรือนอนสวดได้ไหมครับได้ถ้าถ้าเป็นเรื่องของความเจ็บไข้ได้ป่วยแต่ถ้านั่งนั่งเรียบร้อยได้ก็ถือว่าเป็นการให้ความเคารพด้วย การปฏิบัติธรรมเราก็ต้องมีการเค้าความเคารพในธรรมเช่นนั้นท่านั่งขัดสมาธิหรท่านั่งพับเพียบเวลาเราไหว้พระสวมดมนต์เป็นต้นแต่ถ้าเราเจ็บไายได้ป่วยเราก็ยังสามารถเจริญได้เจริญสติเจริญสมาธิได้ในใ น, ในท่านอนก็ได้ถือศีลปกติอยู่ที่บ้านควรทําวัดช้าวัดเย็นเหมือนตอนอยู่วัดด้วยไหมครับก็ได้ถ้าอยากจะทําก็ได้ไม่อยากจะทาก็ได้ การการทำวัดก็เป็นการฝึกตสติไงจารยาพุทธานุสติธรรมานุสติสามกานุสติแล้วก็ส่วนบทต่างๆก็เป็นการฝึกสติไม่ให้ใจเราไปคิดฟุง้งซ่านหลวงพ่อบอกว่าเวลานั่งสมาธิให้หยุดคิดแล้วนั่งสมาธิแต่มีเป็นภาพเข้ามาอันนี้ก็ต้องห้ามไม่ให้มีใช่ไหมครับแล้วห้ามมันไม่ได้เพียงแต่เราอย่าไปสนใจมันนั่นเองให้เรากลับมาอยู่ที่ ที่ที่การภาวนาของเราถ้าเราใช้การบริกรรมพุโทโธก็ให้กลับมาที่พุโทโธถ้าเราใช้ดูลมหายใจก็กลับมาดูลมต่อไปอย่าไปให้ความสําคัญอย่าไปสนใจมันมันจะไม่ค่อยจะหายไปเองเริ่มปฏิบัติธรรมด้วยตนเองที่บ้านทําอย่างไรครับก็ต้องศึกษาก่อนไงศึกษาวิธีปฏิบัติธรรมว่าต้องปฏิบัติอย่างไร มือตอนก็ต้องฝึกสติก่อนให้มีสติอคอยควบคุมใจควบคุมความคิดไม่ให้คิดเลือเ่อยเช่นการบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆนี่ก็เป็นการเจริญสติอย่างหนึงน่งหรือการเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายในทุกิริยาบุตรแล้วต้องผูกใจไว้อยู่กับคําบริกรรมก็ดีได้อยู่กับร่างกายก็ดีถ้าทําอย่างนี้แล้วความคิดต่างๆก็จะลดน้อยถอยลงไปพอเรามีเวลาว่างอย่างจะนั่งหลับตาก็นั่งหลับตาแล้วก็ดูลมหายใจต่อ หรือบรการพุทโท ต, ต่อไปเดี๋ยวใจเราก็นิ่งสง บ, บเป็นสมาธิขึ้นมาได้การบูชานางกวักหรือวัตถุมงคลที่ช่วยในเรื่องค้าขายถือว่าเป็นศีลปฏิตะประาปรมาธหรือไม่ถ้ามีแต่เราก็ตั้งมั่นในมรรคแปดศีลห้าขยันทำหากินก็มีบูชาได้หรือไม่ครับมันเป็นแค่วามงงาง่ายนะมันไม่ได้มีผลประโยชน์ยชน อ, อย่างด วันพระถ้าเราสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมจะได้บุญมากขึ้นไหมครับทำมากขึ้นมันก็ได้ผลมากขึ้นมันก็ได้ผลมากขึ้นถ้าเราหยุดความที่คิดจะได้ทุกอย่างจะสบายไหมครับอาจารย์ก็าเราจาดูซิถ้าไม่อยากได้เราเป็น ส, ส, ส, สบายไม่อยากได้เงินเดือนนะเงินเดือนไม่ออกก็ไม่เดือดร้อนเขาจะตัดเงินเดือนนวเงินเดือนก็ไม่เดือดร้อน สบายกับคนที่อยากจะอยากจะได้เงินเดือนไม่อยากจะได้เพิ่มไหมต่างกันไหมไม่ใส่บาตรตอนเช้าแต่สวดมนต์ที่บ้านทุกวันอย่างนี้ได้บุญไหมครับได้บุญคนละอย่างบุญการใส่บาตรเรียกว่าทานบุญการสวดมนต์นี่คือสติได้คนละอย่าง จำเป็นจะต้องสวดมนต์ข้ามปีไหมครับถ้าถ้าไม่นด้สวนเราจะตายถ้าถามถ้างนี้ก็ไม่จำเป็นถ้าอยากจะสวดเพื่อให้เรามีความสงบก็สวดได้ข้ามคืนก็ได้ไม่องว่าข้ามปีหรอกคืนนี้ก็สวดได้สองวันมัลองสวดก็ได้เหมือนกัน บางครั้งก็มีการอิจฉาเพื่อนที่มีความสามารถและได้รางวัลมากกว่าจะวางใจยอย่างไรให้ไม่อิจฉาครับก็คิดว่าเขาสร้างเหตุมาเขาสร้างเหตุมามากกว่าเราเหตุที่ทําให้เขาได้สิ่งตา่างๆเราไม่ได้สร้างมาเท่ากับเขาเหมือนเราปลูกต้นไม้เนี่ยเราปลูกต้นเดียวเขาปลูกสิบต้นเนี่ยเวลาเขาเก็บผลไม้เขาก็เก็บผลไม้ม า, มากกว่าเราสิบเท่าใช่ไหมให้คิดอย่างนี้ก็แล้วกัน ทำไมพระถัดสมาธิวัละหลายชั่วโมงแต่ไม่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมเลยครับไม่รช่นะบางองค์ก็มีมัมันไม่ได้ก็จะไม่ไม่เป็นทุกองแล้วแต่ว่าท่านรู้จักบริหารมันหรือไม่ <c oughs> คือไม่ได้ทำแบบตลอดแบบสุดโตรงพอรู้ว่ามันเริ่มมีอาการไม่ดีท่า น, นก็หยุดได้ท่า น, นก็สลับท่านั่งได้ท่า ย, ยืนได้ไม่ได้ว่าจาเป็นจะต้องฝืนนั่งไปตลอดเวลา ปฏิบัติต่อเนื่องมาความเบื่อความว่างเกิดเรื่อยๆเลยครับบางทีทนทุกข์กับความเบื่อความว่างครับเพราะจิตยังไม่สงบไงจิตยังหิวอยู่จิตยังอยากจะได้รูปเสียงจลิ่นรสผธผ้ามาใส่มาสัมผัสพอไม่ได้เสบรูปเสียงกลิ่นรสก็เริ่มเศร้าซ้าาาอยไว้ยเงาว้าวเวขึ้นมาต้องพยายามฝึกสติให้มากให้จิตอย่าไปคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสให้จิตลดความอยากลงให้จิตหยุดความอยากให้ได้ ถ้าหยุดความอยากได้จิตสงบเราจิตจะมีความสุขมีความอิ่มเราจะไม่รู้สึกเศร้าส้อยหหเหมใอ้เดงมมีเพื่อนร่วมงานท่านหนึ่งอายุ72็บปีสุขภาพแข็งแรงหน้าตาผ่องใสการเดินเหินหรือการยกของหนักกำลังวังชาดีมากเป็นเพราะบุญของเขาที่ทำมาหรือเปล่าครับก็เป็นการการดูแลร่างกายของท้องใช่มากกว่าเขารู้จักดูแลรา่างกายให้ถูกสุขลักษณะมันก็อยู่ได้ดีได้ได้ไดนานได้แข็งแรง การบริจาคร่างกายทางพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ครับคือการบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นนี้ก็ดีดีทั้งทั้งผู้ที่ให้และผู้ที่รับแต่ต้องให้ผู้ผู้ผู้ให้นี้อยากจะได้ผลประโยชน์ต้องให้ตอนที่ยังไม่ตายเช่นบริจาคตาไปข้างหนึ่งหรือบริจาคไตไปข้างหนึ่งเพื่อช่วยชีวิตของคนที่เร า, เารักนึกเคารเช่นพ่อแม่ของเราเป็นต้นท่านตายวาย ท่านจะอยู่ไม่ได้ถ้าท่านไม่มีตายใหม่มาเราก็เพยายามชละตายไปข้างหน้าให้กับท่านอย่างนี้ก็เป็นคุณประโยชน์ทั้งผู้ให้และผู้รับผู้รับก็ได้มีชีวิตอยู่ต่อผู้ให้ก็ยังมีความสุขได้บุญได้กุศลแต่ถ้าบริจาคตอนที่ตายไปนั้นนี้ผู้ให้ไม่ได้อะไรเลยเพราะผู้ให้ไม่รู้ว่าได้ได้ได้มีการเอาไวเอเอาไว้ยาของตนไปใช้ประโยชน์อย่างไรบ้าง ผู้ให้ไม่รู้แล้วผู้ให้จะไม่ได้ไม่ได้รับความสุขไม่ได้บุญจากการให้แต่ผู้รับก็ยังได้รับประโยชน์อยู่เพราะฉะนั้นถ้าอยากจะให้ผู้รับได้รับประโยชน์ก็สามารถบริจาคร่างกายได้หลังจากที่เราตายไปแล้วให้เขาไปทําอะไรต่างๆแต่ถ้าเราอยากจะได้รับประโยชน์เราก็ต้องทําตอนที่เรายังไม่ตาย เป็นคนเพ่งโทษคนอื่นง่ายหงุดหิดง่ายอยากมีโอกาสปรับเปลี่ยนเป็นคนที่ใจดีต่อทุกๆคนกว่า น, นี้เราควรขอปัญญาจากพระอาจารย์แนะนําครับก็ง่ายเวลาทุกครั้งที่เราว่าใครแล้วก็ย้อนกลับมาที่ตัวเราเองแล้วเราแล้วเราลเป็นอย่างไรบ้างเราไม่มีข้อที่ต้องตําเนตรดีเพียนบ้างหรือถามตัวเราเองบ้างทุกครั้งที่เราจ ะ, จะไปตําเนตรคนอื่น พ่อกับลูกมีปากเสียงกันแต่แม่กลัวว่าลูกจะบาปจะทำอย่างไรดีครับเพามันต้องทาอะไรเป็นเรื่องของพ่อกับลูกไปเขาไม่เว้มีกรรมกันมาครับนั่งสมาธิไปได้สาสิถึงสี่สิบนาทีจะเริ่มมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นไม่เคยผ่านตรงนี้ไปได้เลยครับต้องขยับหรือเปลี่ยนท่าตลอดทางที่นั่งทุกวันขออุบายในการผ่านทุกขเวทนาครับ ต้องเพิ่มสติให้มากขึ้นด้วยการใช้คําบริกรรมบริกรรมพุโทโธพุโทโธพุโทโธให้ถีมากขึ้นเพิ่มให้ใจไปคิดถึงความเจ็บของร่างกายพอใจไม่คิดถึงความเจ็บแล้วความอยากให้ความเจ็บหายไปมันก็จะหายไปความทรมานในใจก็จะหายไปพอไม่มีความทรมานในใจใจก็สามารถอยู่กับความเจ็บของทางร่างกายได้อย่างสบายแอบรักคนมีเจ้าของบาปไหมครับ ก็ยังไม่ไปร่วมประเวณีกับเขาไม่ไปร่วมเสด็จกางกับเขายังไม่บาปอยู่บอกกับลูกสาวว่าแม่ไม่ทานมื้อเย็นจะไปบวชในกข ม, มารที่วัดทานมื้อเดียวน้องบอกว่าน้องอดข้าวเย็นไม่ได้น้องเป็นลูกที่ดีแต่ยังไม่สนใจธรรมะจะวางใจอย่างไรไม่ห่วงลูกครับเราเขาไม่อดกขาปล่อยเขากินไปเสีแล้วอดกันเปนเรือของเราโมดะคนแสดงว่าเขายัง มีกําลังอดทนน้อยกว่าเราก็ยังอดไม่ได้ก็ปล่อยก็กินไปก่อน่จนเรามีกําลังแล้วก็ไปทําตามเรื่องของเรามันไม่เกี่ยวกั น, นต่างกันตัวใครตัวมันเรื่อ ง, องเราอะไรนี้กังวลใจกับอนาคตครับจะทําใจอย่างไรครับก็ต้องยอมรับความจริงว่าเกิดมาแล้วทุกคนต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดา ลงค้นไม่ได้อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดเราไม่สามารถไปควบคุมบังคับทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นไปตามความปรารถนาของเราได้ให้สนใจให้ยอมรับความจริงถ้าเรายอมรับความจริงแล้วใจเราก็จะไม่ทุกข์เบื่อมากที่คนใกล้ตัวขี้โกหกปากไม่ตรงกับใจที่อิจฉาจองหองทุกวันนี้เบื่อมากแต่สงสารเตือนตรงๆก็ไม่พอใจปล่อยวางใช่ไหมครับ ใช่เพราะเราไปอยากให้เขาเป็นอย่างนี้ mm hmm. เขาเป็นอย่างนั้นมันก็เลยทําให้เราเบื่อเวลาที่เราไม่สามารถเปลี่ยนเขาได้เมื่อเปลี่ยนเขาไม่ได้เราก็ต้องปล่อยเขาด้านเองปล่อยให้เขาเป็นไปตามเนื้อของเขาแล้วเราก็จะหายเบื่อทําบุญกับคนไม่ขึ้นเป็นเพราะอะไรครับจะให้วางใจอย่างไรครับเราไม่เข้าใจความความหมายของการทําบุญไงการทำบุญที่เราไม่ต้องการผลตอบแทนจากคนที่เราไปทําด้วย จะขึ้นไม่ขึ้นเขาจะดีกับเราหรือร้ากับเรานี้มันไ ม, ไม่ไม่เกี่ยวกับเรื่องเรื่องของการทําบุญการทําบุญที่ทําเพื่อให้เรามีใจเรามีความสุขเมื่อเราให้เสียสละแบ่งปันประโยชน์สุขของเราให้แก่ผู้นั้นเราจะมีความสุขใจถ้าเราไม่ไปหวังผลตอบแทนนะใจเราก็จะมีความสุขแต่ถ้าเราไปหวังผลตอบแทนแล้วเราไม่ได้ตามที่เราปรารถนาแเราก็จะเสียใจได้ั้นการทําบุญที่แท้จริงต้องเป็นทําบุญแบบใจที่บริสุทธ คือทำอาดยที่ไม่ปรารถนาผลตอบแทนจากผู้รับเขาจะให้เรานั้นไม่ให้เราอะไรเราไม่สนใจนะแต่เห็นว่าเขาเหานือยอนเราอยากจะช่วยเขาก็ช่วยเข้าไปเท่านั้นเองการเจริญสติที่พระอาจารย์ทําตั้งแต่ตื่นนอนคือทําอย่างไรที่ทําทั้งวันทั้งคืนครับก็คอยคอยเฝ้าดูร่างกายเราไงล่างกายมีการเราผูกใจไว้กับเราเป็นหมุนยามเฝ้าร่างกาย ให้คิดว่าร่างกายเป็นเหมือนนักโทษแล้วเราเป็นยามเราว่าเราคอยเฝ้านักโทษเราไม่ให้มันข้าจากสายตาเราพอมันจะหนีไปเราก็จะดูทันอย่างถ้าเราไม่คอยเฝ้ามันเราไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เราก็เผลอละเผัอละร่างกายอาจจะทำนู่นทำนี้แล้วอาจจะทําผิดทําถูกขึ้นมาก็ได้จากการที่เราไม่คอยเฝ้าดูมันอนนี้ก็คือการเฝ้าดูร่างกายตลอดเวลา ที่กลังอาบน้ําก็อยู่กับการอาบน้ํากําลังฟอกสบู่ก็อยู่กับการฟอกสบูก่กําลังแปลงคันก็อยู่กับการปลงอันกําลังแต่งตัวก็อยู่กับการแต่งตัวกําลังรับประทานอาหารนี่ก็อยู่กับการรับประทานอาหารก็ทั้นั้นเองให้อยู่กับร่างกายทุกกเรืยองทุกการกระทำไม่ให้ใจลอยไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าเป็นนักปฏิบัติแล้วมันไม่มีเรื่องจําเป็นที่ลองชินเรายอมรับ ว, ว่ า, าดีนึงก็ผ่านไปแล้วย้อนกลับมาไม่ได้ อันนู้นเาก็ยังมาไม่ถึงเราไปคิดให้มันเสียเวลาทำก็อยู่กับปัจจุบันไม่ดีกว่าเดี๋ยวปัจจุบันจิตก็นิ่งสงบมีความสุขถ้าใจไม่คิดปรุงแต่งเห็นขันห้าเกิดดับเป็นวิปัสสนาแล้วต้องพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาต่อไปไหมครับแล้วก็ต้องดูทีละขันไงเดี๋ยวร่างกายเราก่อนขันแรกก็คือรูปขันเดียวร่างกายเราเกิดเกิดระดับหรือไม่ แต่เราต้องตายหรืองไม่ไดะต้องตายเรายอมรับได้หนึ่งไม่ถ้าเราถ้าเราอยอมรับก็สแสดงว่าเรามีปัญญาเราเห็นว่ามันต้องดับเราไม่ฝืนความจริงไม่ไปปฏิเสธความจริงแต่ถ้าเราไปอยากให้มันไม่ดับอันนี้นแหลแสดงว่าเราหลงลนะเราผิดลนะเพราะอยากยังไงไม่ให้มันตายก็ห้ามมันไม่ได้อยู่ดีแต่จะทําให้ใจเราทุกความอยากนี่จะทําให้ใจเราทุกความอยากไม่ตายนี่จะทําให้ใจเราทุก ถ้ามันอยากจะทุกก็อย่าไปอยากให้มันไม่ตายเพราะรู้ว่ามันต้องตายก็ปล่อยมันตายไปเท่านั้นเองอันนี้มันคือการพิจารณาการเกิดดับของขันเบื้องต้นกับพิจารณาร่างกายแล้วก็มาพิจารณาเวทนาเวท น, นาก็เกิดดับเหมือนกันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอย่าก็สุขบ้างอยว่าทุกข์บ้างเอย่างก็ไม่สุขไม่ทุกข์เราก็ห้ามมันไม่ได้มันจะมาในรูปแบบไห น, นก็ต้องยอมรับมันไปถ้ายอมรับมันไปใจเราก็จะไม่ทุกข์นี่คือการพิจารณา เพื่อให้เราปล่อยวางไม่ไปทุกข์กับมันครับสร้างศาลาให้วัดพระท่านจะทําพิธียกถวายวัดถ้าไม่ไปจะได้บุญน้อยลงไหมครับไม่เกี่ยวกันอนะ่ะมันการทําสร้างถวายแลจ่ายเงินไปแล้วก็จบแล้วพิธีนี้ก็เป็นการแค่เป็นการทําขึ้มนมาเพื่อให้มันให้เกิดความรู้สึกว่านั่นมีการมอบหมายเป็นทางการเท่านั้นเอง แต่ทางพุธตธินายนี่เรามอบหมายไปตั้งแต่เราจ่ายเงินไปแล้วแต่ทางพิธีกรรมก็ต้องมาทําพิธีถวายกันหน่อยอะไรทนองนี้ตั้งไม้ตั้งคณะโมกล่าวคําถวายวิหารละทำหรืออะไรก็ตามทําไปก็ทงแต่พฤติกรรมนี้มันทําเสร็จไปต้องงานแล้วแล้วประโยชน์เพราผลประโยชน์ที่ไดรับมันไม่ได้อยู่ที่พิธีกรรมมันอยู่ที่พฤติกรรมถ้าไม่ได้ทําล้วมาทําพิธีจนวันตายมันก็ไม่ได้ประโยชน์ ถ้าเราไม่ได้มีนคนจ่ายเงินสร้างสาร้างศาลาแล้วเราไปทําพิธีกรรมถวายกับเขาเราไม่ได้ประโยชน์เลยไม่ได้บุญการที่เราอธิษฐานให้แม่ที่มีความทุกข์ทั้งกายและใจอย่างมากให้ท่านพ้นทุกข์เป็นอนันตริยกรรมไหมครับไม่เป็นอ่มันเป็นความปรารถนาดีนั่นเองท่นค น, นทุกข์แต่ก็มันเป็นไปไม่ได้นะท่านจะพ้นทุกข์ไหรือหรือไม่นะั้นอยู่ที่การกระทําของท่าน ถ้าท่านลาเหตุที่ทําให้ใจท่านทุกข์ได้ท่านก็พ้นทุกข์ได้แต่ถ้าท่านยังละเหตุที่ทําให้ใจของท่านทุกข์ไม่ได้ใจของท่านก็ยังต้องทุกข์ต่อไปเหตุก็คือกิเลสตัณหาเนี่ครับจิตที่สงบมีเพียงธาตุรู้ไม่มีเราในร่างกายบ่อยๆจนชํานาญแล้วออกจากสมาธิมาพบความสุขเย็นและใช้ปัญญาพิจารณาทําแบบนี้บ่อยๆต้องพัฒนาต่อไปอย่างไรครับ เราพยาาปล่อยวางร่างกายด้วยด้วยด้วยความจริงความคิดนี้ยังไม่ใช่เป็นความจริงเราต้องไปปล่อยวางร่างกายด้วยความจริงคือเอาร่างกายไปอยู่ที่มันท่ากลัวที่อาจจะเกิดให้มงตายได้แล้วดูซิว่าใจเราปล่อยมันได้จริงๆริงหรือเปล่าเห้มันอยู่ใน ป, ป่าเปลวที่อาจจะมีสิงสารสัตว์ที่จะมาทํำลายชีวิตได้แล้วดูว่าเวลาได้ยินเสียงเสียงเสียงเสือคํารามแล้วใจเรารู้สึกเฉยเฉยแล้วตื่นเต้นตกใจ ถ้าตื่นต้นตกใจก็แสดงว่าเรายังยึดติดกับร่างกายนะยังไม่อยากให้มันตายอพราะนั้นเราปล่อยมันให้ได้ต้องรู้สึกเฉยๆมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอันนี้เราต้องต้องไปปล่อยด้วยการด้วยการกระทําไม่ใช่ปล่อยด้วยความคิดเฉยๆอนนี้เราคิดได้ว่ า, วาร่างกายไม่เที่ยมมันจะต้องตายยอมรับได้เราคิดได้แต่พอไปหาหมอหมอบอกเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายนี่เราดูสิใจเราจะเป็นยังง บุญจากการนั่งกรรมฐานอุทิศไปให้บิดาจะได้รับไปสู่ภพภูมิไหนครับอ๋อยากเพราะว่าบุญที่เรานั่งยังไม่เกิดเมันปลูกต้นไม้เราเพิ่มปลูกต้ไ้วันนี้อีกข้าปีมั่งทุเรียนมันจะออกด อ, อกดออกผลได้ท่านยังไม่สอนให้เราอุทิศบุญด้วยการด้วยการปฏิบัติธรรมให้อุทิศบุญด้วยการทําทานพอทําปุ๊บมันได้ผลมันออกทันที พอเราถห้ยังได้กับวัดปั๊บนี่ล้วก็ได้บุญแะสามารถอุทิศบุญได้ทันทีแต่ถ้าไม่นั่งสมาธินี่บางทีห้าปีสิบปีจิตยังไม่เคยรวมเลยยังไม่เคยสงบเราจะจะ อ, อะไรไปอุทธิศอ่ะบุญก็คือความสุขใจที่เกิดจากความสงบแต่า ก, การนั่งสมาธิมันยังไม่เกิดเป็นการเพียงแต่เปการเป็นการปลูกปลูกต้นบุญไว้ก่อนปลูกต้นสมาธิท่านเองแต่สมาธิยังไม่ออกดอกออกผล ทุกวัดจะต้องมีพระสวดปฏิโมกได้อย่างน้อยหนึ่งองค์ใช่ไหมครับถ้ามีพระตั้งแต่สี่รูปขึ้นไปพระจะต้องมีการลงปรลงสวดปฏิโมกทุกกลุ่มเดือนทุกสิบห้าวันถ้ามีพระมากมากกว่าสี่แต่ไม่มีพระรูปใดสวดปฏิโมกได้เวลาวันที่จะต้องลองสวดปฏิโมกก็ต้องไปร่วมกับวัดวัดอื่นเขาเห็นวัอย่างนี้บางทีก็มีพระมาจากสำนักอื่นที่สวดปฏิโมกไม่ได้มาร่วมฟังปฏิโมกด้วย หรือเมื่อก่อนวัดยานก็ onda, ไม่ม <arı> ีพระที่สวดปฏิโมกได้พอถึงมันสวดปฏิโมกก็ต้องไปถึงไปวัดอื่นไปร่วมกับเขาแล้วกับวัดที่เขามีสวดปฏิโมกได้ทําบุญทําทานแล้วจะช่วยให้คนป่วยดีขึ้นจริงไหมครับไม่จริงหรอกถ้าจริงก็ไม่ต้องมีโรงพยาบาลให้เสียเวลาไม่ต้องมีหมอเป็นพระยังต้องไปหาหมอเลย พระมนบุญยัย่อยยาคูบาอจารย์เป็นพระอาหารก็ยังนักเข้าโรงพยาบาลเคยได้ยินได้ฟังว่าเศรษฐีจ้างคนใช้ใส่บาต ท, ทุกวันปรากฏว่าเมื่อคุณชายตายไปวิมานสวยหรูสวนเศรษฐีเปล่าๆไม่มีเครื่องประดับอะไรในวิมานเลยเพราะฉะนั้นแม่ค้าที่รับทําอาหารใส่บาตก็ต้องมีบุญด้วยสิครับไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันคนรับท่าก็ทำแต่มเต็ม แต็มที่ตามคําสั่งเราเราก็ได้บุญเต็มที่ถึงแม้เขาไม่ทําตามคําสั่งเราก็ยังได้บุญเต็มที่อยู่เพราะบุญนี้เกิดจากการเสียเงินของเราไปแล้วใครยังไปทําอะไรนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งเขาจะมาหลอกลวงเราว่าเขาได้ใส่บาตรให้เราแต่เขาไม่ได้ใส่เราก็ยังได้บุญอยู่ดีเพราะเราเราได้ยินดีเสียเงินก้อนนั้นไปแล้วมันก็เป็นบุญขึ้นมาแล้วส่วนบางนี้ก็จะเกิดขึ้นกับคนที่เขาโมยเงินไปไปทําอย่างอื่น อันนี้เป็นเรื่องของคนที่เขารับเงินเราไปอีกทีเนึ่ยเรื่องที่มามีมีเรื่องมาที่เรื่องของการอุทิศบุญเนี่ยเป็นอ น, นุิทานที่มีในข้าาะไตรปิฎกว่ามีพระเจ้าแผ่นดินรูปหนึ่งท่านตอนกลางคืนยามดึกมีเสียงแปดกประหลาดหน้าหวาดเสียวหน้าหวาดกลัวปรากฏตอนเช้าก็เลยไปกราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าเสียงนี้เป็นอะไรเป็นอะไรพุทธเจ้าบอกว่าอา๋อมันเป็นอมาตะของท่านในชาติก่อนๆ น, นั้นเคย รับใช้พระ อ, องค์พระ อ, องค์ก็สั่งให้มันอาเงินไปทําบุญแต่มันยักยอกเงินทําบุญไปส่วนหนึ่งพอมันตายไปมันาก็กลายเป็นเปรตขึ้นมาเพราะท่านนี้มันทราบว่าท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินมันก็เลยกราบมาเข้ามาขอขอบุญส่วน ส, วนสวนบุญให้ท่านช่วยทําบุญอยที่แท้กับเขาไปอันนี้เป็นเรื่องที่มาของการทําบุญอยทิ่เกิดจากเรื่องนี้เกิดจากเรื่องที่มีพระราชาไปได้ยินเสียงแปลกประาดในพระราชวังยายามดึก อยาจะรู้ว่าเป็นอะไรก็เลยมาถามพระพุทธเจ้าทงค์เจ้าเกิดจากอมามตะที่ตอนนี้ดวงวิญญาณเข้าไปเป็นเปรตเพราะสมัยก่อนที่ท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินต้องใช้ให้เขาไปทําบุญเขายากยาก่ยกเงินส่วนหนึ่งไปเอามาใช้ส่วนตัวการทําบาปด้วยความโลภก็เลยทำให้เขามากลับมาเกิดเป็นเป็นเปรตในภพนีิชานนี้พอเขารู้ว่าท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินเขาก็เลยกลับมาขอบุญจากท่าน องคเจ้าเลยสอนให้พระเจ้าแผ่นดินทําบุญอุทิ้นให้กับเปรตตัวนี้ไปนี่แหละเป็นที่มาของการการทําบุญอุทิ้นบุญก็จากจากเรื่องนี้เรื่องเดียวเท่านี้เท่าที่ได้ได้ยินได้ฟังมาการสวดแบบมรณะสติจะได้อานิสงส์งเรื่องไหนบ้างครับคือการสวดก็จะสวดเพื่อให้เรามีสติย้อนยับยังความคิดจะ ต, ต้องสวดนานๆไม่ใช่สวดแค่เข้า คำสองคำนั่นต้องสวดไปเรื่อยๆแล้วถ้าเรานั่นมันก็จะทําให้เรามีปัญญาด้วยเพราะเราจะรู้ว่าร่างกายของเราจะต้องตายแล้วเราก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจยอมรับกับความตายของร่างกายถ้าเราเรายอมรับกับความตายได้ใจเราก็จะพ้นทุกข์เราก็จะไม่ทุกข์กับร่างกายอันนี้ก็คืออา น, นิสงส์จากการสวดมนต์นาคนุสติ จิตผู้รู้มีอยู่ในทุกคนหรือไม่ครับจิตผู้รู้มีสัมมาทิฏฐิหรือมิจฉาทิฏฐิทิฏฐิเหล่านั้นเกิดขึ้นจากอะไรครับผู้รู้นี่มีอยู่ในทุกร่างกายใช่ไีมในร่างกายของมนุษย์นี้มีผู้รู้มาครอบครองแต่ไม่ได้อยู่ในร่างกายนะอยู่คนละที่กันเหมือนกับโทรศัพท์มือถือสองสองเครื่องติดต่อกันได้โดยที่ไม่ต้องอยู่ที่เดียวกันร่างกายกับจิตใจก็อยู่คนละที่กัน ร่างกายอยู่ในโลกมนุษย์โลกกาะสนใจอยู่ในโลกทิพย์แล้วสมาธิทิพย์นีมิจฉาทิพย์นี้มันขึ้นอยู่กับจิตของแต่ละคนว่าไปรับความรู้มาจากที่ไหนถ้าไปรับความรู้จากแหล่งที่เป็นมิจฉาทิพย์ก็จะได้มิจฉาทิพยิติดตามมาถ้าไปรับความรู้จากแหล่งที่มีสมาธิิก็จะได้บรสมาธิติดตามมาเช่นนามาเรับความรู้จากพระพุทธศาสนาเป็นแหล่งของสมาธิ เราก็จะได้สมาธิทิแต่ถ้าเราไปศึกษาตามมหาลัยต่างๆนี่เราก็จะได้วิชาทิทิเพราะเราจะไม่เข้าใจเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดเรื่องของดวงวิญญาณต่างๆเราก็อาจจะปฏิเสธว่าการเวียนว่ายตายเกิดไม่มีสวรรค์นรกไม่มีอันนี้ก็เป็นวิชาทิทินั่งสมาธิจิตไม่ค่อยอยู่กับกายชอบหลุดจะต้องทําอย่างไรดีครับ ก็ต้องฝึกก่อนอย่ามานั่งสมาธิฝึกให้ให้จิตอยู่กับกายบ่อยๆอยู่ทั้งวันเลยฝึกทั้งวันเลยผูกใจไว้กับกายอย่าทิ้งกายไปอย่ไปคิดเรื่นันเรื่องนี้ให้อยู่กับกายไปทั้งวันทั้งคืนถ้าเราผูกใจไว้อยู่กับกายถ้าหยับต่อเ น, นื่องเวลานั่งสมาธิมันก็จะไม่ไปไหนมันก็จะอยู่กับกายอยู่กับลมหายใจมันก็จะสงบได้ จำเป็นต้องสวดมนต์ทุกวันไหมครับหรือนั่งสมาธิพอครับกา ร, การสวดมนต์ก็เป็นวิธีทําสมาธิอย่างหนึ่งถ้าเราสามารถทําสมาธิโดยที่ไม่ต้องสวดได้ก็ไม่ต้องสวดก็ได้บางคนนั่งสมาธิยังไม่ได้แต่องอาศัยการสวดมนต์ไปก่อนก็สวดมนต์ไปก่อนนควรจะบอกสอนลูกที่อายุสามสิบห้าปีมีคู่ครองแล้วอย่างไรดีครับโตเป็นควายแล้วสอนไม่ได้นะ ก็ต้องดูาเขาฟังเราหรืบเ่าถ้าฝังได้ก็สั่งเข า, า, าว่าให้เขามีความซื่อสัตย์กับเมียเขานะกับภรรยาสามีเขาให้รักษาศีลห้าไว้ให้มีความซื่อสัตย์สุดจมิดต่อกันละกันแล้วชีวิตคู่ก็จะอยู่กันอย่างมีความสุขอต่ถ้าเราไม่ซื่อสัตย์ต่อกันแล้วเดี๋ยวชีวิตคู่ก็ต้องต่ายยกอย่างแน่นอนครับแต่ก็อยู่ที่ว่าเขายินดีจะฟังหรือไม่ฟังเขาจะเชื่อหรือไม่เชื่อ ถ้าพูไปแล้วเขาไม่เชื่อเข้าบรือนกับสารน้ำใส่หนังหมาหลังสุนัขเนี่ยเทน้ำใส่หนังสุนัขเป็นยังไงมันสะบัดทิ้งทันทีเลยก็ต้องดูว่าเขายินดีจะฟังคําสองคําสอนของเราหรือไม่ถ้าเขาไม่ยินดีเขาไม่เชื่อฟังก็ก็ต้องก็ต้องถือว่าเราไม่มีสิทธิ์นะสอนก็ไม่ได้แล้วหากเราทําบุญและอุทิศบุญให้คุณแม่ของเพื่อนโดยการเอ่ยชื่อนามสกุลของท่าน ท่านจะได้รับหรือไม่เคอร์ดินว่าหากไม่ใช่ลูกหลานไม่ใช่ญาติกันท่านจะไม่ได้รับบุญจริงหรือไม่ครับไม่จริงหรอกอุทัยกับใครก็ได้ทั้งนั้นให้สรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงก็ได้ทีเรารู้จักหรือไม่รู้จักก็ได้อยู่ที่ว่าเขาอยู่ในสภาพที่รอนับบุญหรือไม่ถ้าเขาไม่ได้มารอนับบุญเขาก็จะไม่ได้รับบุญเท่านั้นเองนั่งสมาธิถ้าเข้าฌานจะมีผีมีวิญ ญ, ญาณแฝงไหมครับ ไม่มีหรอกถ้าเข้าชานจิตจะว่างจะเยน็นจะสงบจะเติมไปด้วยความสุขไม่มีความกล้าหาญไม่มีความหวาดกลัวกับดวงวิญญาณต่างๆผมเคยฟังเรื่องของคนที่มีอาการละเมอตอนนอนหลับโดยเฉพาะในต่างประเทศเช่นละเมอเดินละเมอกินข้าวละเมอขับรถอยากเรียนถามว่าอาการละเมอแบบนี้เกิดจากจิตของเขาทํางานยังคงทํางานต่อเนื่องระหว่างหลับหรือเปล่าครับ ใช่ยังคิดปรุงแต่งอยู่แล้วไม่มีสติคอยควบคุมติดก็เลยมันก็เลยพาร่างกายไปตามความรู้สึกที่ชอบมันบริจาคเลือดได้บุญไหมครับได้ท่าเพราะว่าเรายังเรามีความรู้ว่าเราได้สูญเสียสิ่งที่เรารักเราหยงไปแล้วมันทาให้เราเกิดมีความสุขว่าเราได้ช่วยเหลือคนเพื่มคนเพื่อมมนุษย์คนหนึ่งให้อยู่ต่อไปได้ อันนี้แต่ถ้าเราบจากเลือดตอนที่เราตายไปแล้วนี่เราจะไม่ ไ, มได้เราจะไม่ได้บุญเลยเพราะเราไม่รู้ว่าเรือดนี้ได้ไปให้กับใครหรือไม่ถ้าไม่ได้ใส่บาทแต่ให้อาหารกับคนที่ยากจนจะได้บุญไหมครับได้ได้เหมือนกันการที่เราให้สิ่งของเงินกับคนที่เขาไม่มีเราได้บุญในชาตินี้หรือต้องรอชาติหน้าครับ ก็ได้ทั้งชาตินีาะชานาชาตินี้ก็คือเราได้ความสุขใจได้ความสุขใจอิ่มใจสบายใจชาติหน้าเราอาจจะตกทุกข์ได้ยาแเราเจอเขาแล้วเขาเป็นเศรษฐีเขาก็จะให้เงินเรามากลับค้นมาก็ได้อีกเก้าเดือนจากเกษียณขอวิธีวางใจให้มีความสุขครับก็ต้องอยู่เฉยๆให้วดาอยู่เฉยๆเนือที่ไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องไปเที่ยวไปกินไปเดิน ไปสัมผัสกับคนนั้นคนนี้วิธีจะทําให้ใจเราอยู่เฉยๆย่างไมีครับสุก็ต้องฝึกสตินั่งสมาธินั่นเองให้เราให้เราปฏิบัติทำฝึกสตินั่งสมาธิแล้วก็ฟังทศน์ฟังธรรมเป็นกิจกรรมธรเราก็จะเราก็จะอยู่อย่างมีความสุขได้ใช้บทสวดมนต์ภาวนาในขณะนั่งสมาธิได้ไหมครับได้ อยากทราบว่าฝังสัตว์เลี้ยงของเราในพื้นที่บ้านเป็นเรื่องอภิมงคลหรือไม่ครับไม่เป็นอ่มันก็เป็นท่านดินอยู่แล้วท่านดินก็เขากลับเขา้เขาสู่ท่านดินไปทั้งนี้เดี๋ยวมันก็เน่าเปล่อยผุพังไปกลายเป็นดินไปน้องตามนะควาท่าเอาให้เอาคีดเท่าของนโยมแม่ของท่านกับใส่กระดูกไปโรยที่คนต้นโพในวันนี้เราเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าเพรพเ า, พรพาต้นโพนี่ถือว่าเป็นสั ญ, ญลักษณ์ของพระพุทธเจ้า สมาธิรวมอยู่ตรงหน้าผากตลอดเวทนาบางมากไม่เครียดไม่ปวดหัวเป็นอาการของอะไรครับคืออันนี้ก็แล้วแต่แนวะความจริงมันสมาธิมันไม่ได้อยู่ที่อยู่ที่หน้าผากเป็นแค่เป็ น, ป น, ปนอาจจะเป็นเพียงแต่ความรู้สึกว่ามันอยู่ตรงนั้นท่านนเองถ้ามันสงบไม่เครียดก็ถือว่าจิตก็สงบเป็นสมาธิได้ในระดับหนึ่งแต่ถ้าไม่สงบเต็มที่ถ้าสงบเต็มที่แล้วร่างกายจะหายไป หน้าปกหน้าพากอะไรต่างๆอยากได้หมดจิตจะว่างมันลายอยู่ในอวกาศขอธรรมะให้กับเรื่องของความรักที่เพิ่งจบไปสักหน่อยได้ไหมครับไม่มีความโกรธเกลียดผิดหวังเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ยังมีความฟุ้งซ่านจากความเคยชินที่เคยมีครับก็คิดว่ามันเป็นของไม่เที่ยงไเป็นของชื่อราตมีเกลดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไป มันผ่านไปแล้วไปคิดถึงมันก็เศร้าไปเปล่าถ้าไม่อยากจะให้คิดถึงมันเวลาคิดถึงมันก็ให้ใช้คาบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปสวดมนต์ไปก็ได้เพื่อให้เราหยุดความคิดเหล่านั้นถ้ากายป่วยนอนภาวนาได้ไหมครับสวดมนต์ก็จะไอตลอดครับได้ได้ลูกเล็กๆไม่เชื่อฟังมีแต่คนคอยตามใจลูกทำอย่างไรครับ ระไม่อยู่อะรกินนอนเนี่ยไม่มีใครตามใจเราควรจะบวชเมื่อไหร่ครับวันนี้เลยถ้าบวชได้เดยรอเลยพวกนี้อจะตายก่อนก็ได้ยั <c oughs> รีบถ้าบวชได้รีบไปบวชเสี้ยงตั้งแต่วันนี้เลย <c oughs> มีข้อสงสัยว่าทำไมต้องบริจาคร่างกายตอนที่เรายังมีชีวิตในเมื่อตอนที่เราทำเรื่องบริจาคเราก็มีความสุขใจพร้อมเสียสละถือเป็นประโยชน์แล้วไหมครับและยิ่งนําไปช่วยต่อชีวิตยิ่งถือว่าเป็นประโยชน์อย่างเต็มที่ครับแต่ความสุขน้อย น, นิดเดียวนะเป็นแต่มีความรู้สึกก็เราได้บริจาคไม่เหมือนกับเอาบริจาคตายไปเนะี่ยลองลองเปรียบเทียบดูสิความสุขจากการได้สูญเสียของจริงๆไปกับเพียแต่ความคิดที่มันต่างกัน พอนั่งนิ่งๆ น, นั่งว่างๆจิตก็รวมเองเป็นปกติตลอดเวลาไม่ต้องนั่งภาวนาเป็นอาการของสภาวะอะไรครับของการที่มีสติที่เข้มข้นนั่นเองสติที่มีกําลังมากก็าสามารถเวลาอยู่เฉยๆไม่มีอะไรมาให้คิดปรุงแต่งจิตก็รวมเป็นสมาธิได้มีวิธีทําให้อยู่กับปัจจุบันครก็ได้น่ะต้องมีมีกรรมฐานมีอามณ์ยึดเหนี่ยวจิตใจเช่นร่างกาย หรือคบริกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งพุโทโถก็ได้ธรรมโถก็ได้สังโฆก็ได้บทชวนบนต่างๆก็ได้ก็เป็นวิธีทําให้จิตเราอยู่ในปัจจุบันไม่ลอยไปคิดถึงอดีตไม่ลอยไปคิดถึงอนาคตต่อเนื่องกันเลยครับอาจารย์บอกว่านั่งสมาธิอย่างไรให้สงบนิ่งได้ยาวนานครับไม่ต้องมีสติไม่ให้ใจคิดปูแต่งไม่ให้คิดถึงอดีตไม่คิดถึงอนาคตไม่ให้คิดถึงคนคงค น, คคงคนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้นนนน ให้อยู่กับกรรมฐานอารมณ์เดียวอยู่กับพุโทโธบริกรรมไปเรื่อยๆก็ได้หรืออยู่กับการดูลมหายใจเข้าไปก็ได้การฝันที่เห็นผู้ตายบ่อยๆคืออะไรครับถ้าเราชอบไม่คิดถึงค น, คนผู้ตายแล้วก็คิดถึง้องก็ฝันบ่อยๆเป็นความผูกพัน ม, มากก็จะคิดถึงเขาก็จะฝันเวลานอนหลับใจแล้วก็คิดไปความคิดนี้ก็กลายเป็นความฝันไป วันนี้ปล่อยปลาสามสิบหกตัวจะได้บุญอย่างไรครับก็ได้มากกว่าปล่อยปลาตัวเดียวแบบที่ไม่ฟังียอะแยมากเนาะอยู่ที่ความรู้สึกของเราถ้าเราสุกใจมากเราก็ได้บุญมากถ้าสุกใจน้อยก็ได้บุญน้อยจะทำยังไงดีเวลานั่งสมาธิหลับตลอดเลยครับลุกขึ้นมาเดินก่อนเนย ต้องล ด, ลดการกินอาหารให้น้อยลงอย่าไปนั่งสมาธิตอนที่กิ น, กนอาหารเสร็จใหม่ๆถ้าอยากจะนั่งสมาธิแบบไม่ ง, วง่วงต้องนั่งก่อนที่รับก่อนที่จะรับประทานอาหารรัห ล, ลองแน้วไม่ง่วงถ้ากำลังหิวๆนี่ น, นั่งสมาธิแล้วจะไม่ง่วงแต่มันจะไม่สงบเพราะมันจะหิวมันจะคิดแต่เรื่องของอาหารก็จะเป็นถ้าอยากจะได้ผลทางทางด้านการปฏิบัติก็ต้องยอมยอมยอมทุกข์ทรมานทางร่างกายว่า แล้วในควาสุขทั้งรางกายมันก็จะทําให้การปฏิบัตินี้เป็นไปได้ยากถ้าเราฟังทำแล้วขณะเดียวกันทํางานอย่างอื่นไปด้วยซึ่งสนใจฟังธรรมมากกว่าถือว่าจเจริญสติหรือไม่ครับหรือว่าให้ทําทีละอย่างครับพ้องทำทีละอย่างถ้าทำสองอย่างใจก็จะวิ่งไปวิ่งมาก็จะไม่สงบแล้วจะฟังไม่เข้าใจเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้าง แต้าเราฟังอย่างเดียวเราก็จะเข้าใจได้มากกว่าเราจะสงบได้มากกว่าสวดมนต์ทุกวันเวลาสวดทําไมชอบได้ยินเสียงกุ๊กกักทุกครั้งเลยครับเพราะอะไรครับมันเป็นอุปทานของเราใจมันเป็นชอบปรุงแต่งขึ้นมาเองไม่ต้องไปสนใจอยากทราบความหมายของสภาวะวิตกวิจารณ์ครับในปฐมฌานครับ วิวิจารก็คือตึกกับตรองเนี่ยคำว่าไม่ตกก็คือตึกวิจารก็คือตรองในเวลาเราบริกา ร, รพุโทโธพุทโธนี่เรารู้ว่าเรากำลังบริการก็เรียกว่าตึกเรารู้ว่าเราไม่ได้เผลอไปคิดเรือ่องนี้ก็เรียกว่าตรองอยู่กับพุทโธไปนัตึกตรองอยู่กับพุทโธอย่างเดียวเวลาคิดถึงพุทโธก็ตึกเวลารู้ว่าเราไม่ได้เผลอไปคิดเรื่องอื่นก็เรียกว่าตรองตึกตรอง คนที่เขาทำเลวแล้วเลวอีกเขาจะได้รับกรรมไหมครับได้ถ้าถ้าเป็นบาปนะถ้าไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตถ้าผิดศีลข้อห้าข้อนี่มันก็ต้องไปรับผลของกรรมแตถ้ายังไม่ผิดศีลก็ยังไม่บาปกับคุณแม่ของตัวเองครับพยายามสอนการฟังธรรมเนื้อหาทางธรรมแต่แม่ไม่อยากสนใจและบางครั้งเรากับแม่บ้านบนเรากับแม่บ้านเราท้อใจอย่างไรดีครับ ก็ต้องหยุดเทนั้นเองเมื่อทำไม่น่าก็อย่าไปทำนั่งสมาธิแต่เหมือนจะรู้สึกตัวตลอดแต่อัดคลิปเวลานั่งเหมือนจะก้มหน้าหลับแก้ไขอย่างไรครับก็ต้องฝึกสติให้มากเป็นแสดงว่าสติเราน้อยนะครมันก็หนึ่นนนที่เราไม่รู้สึกตัวถ้ามีสติแล้วจะนั่งคอ คอตรงคอจะไม่พับแล้วก็จะรู้สึกตัวตลอดเวลาเวันนั่งก็ต้องมาริกรรมพุทธโธพุทธโธพยายาอหยุดพุทธโธถ้ายุนเมื่อไหร่นี่ก็แสดงว่าหลับนั่งสมาธิได้ประมาณสาสิบนาทีเริ่มจะปวดขาหนักมากจนทนไม่ไหวต้องออกจากสมาธิขอเทคนิควิธีจากพระอาจารย์ด้วยครับที่จะให้ผ่านทุก เ, เวทนานี้ครับใช้คําบริกรรมพุทธโธพยามพุทธโธพุทธโธพยายาไปคิดถึงความเจ็บ ให้ลืมความเจ็บไปให้อยู่พุโทโธไปพอไม่คิดถึงความเจ็บแล้วความอยากให้มันหายเจ็บมันก็จะหายไปความทรมารที่เกิดจากความอยากมันก็จะหายไปใจก็จะนิ่งเฉยสามารถอยู่ความเจ็บได้เขาพูดไม่ถูกใจเราทําอย่างไรจะไม่โกรธครับก็อย่าไปอยาดเขาพูดในสิ่งที่เราต้องเราวที่เขาไม่ทําให้เราแล้วก็จะไม่โกรธ ที่ที่เรากดเขาว่าเราอยากให้เขาพูดดีอยากให้เขาไม่พูดไม่ดีกับเราพอ เ, เขาพูดไม่ดีกับเราเราก็โกรธเขาเราต้องหยุดความอยากที่ใจของเราอย่าไปวางอะไรจากเขาเขาจะพูดดีก็ได้พูดไม่ดีก็ได้ปล่อยเขาพูดไปเราก็จะไม่โกดธเขาผู้มีครอบครัวที่จดทะเบียนกับภรรยาแล้วถ้าจะบวชต้องอยากก่อนไหมครับคือต้องทำความเข้าใจกับภรรยาว่าจะเลิกกันเชื่อ จะยาหรือไม่อยากนั้นก็เป็นเรื่องของทา ง, ง, งกฎหมายแายการํารวชนี้ก็ถือว่าอยากกันแล้วไม่อยู่กับภรรยาอนุญาตภรรยาให้ไปมีสามีใหม่ได้แล้วแต่จะไปทําพธิธีบุญญาหรือไม่ต้องไปจดทะเบียนญาหรือไม่อันนี้ก็เป็นเรื่องทางกฎหมายแต่ทางพฤติกรรมนี้ก็ถือว่าอยากกันแล้วโดยที่ทั้งสองฝ่ายยินยอมภรรยาก็ยินยอมให้เราไปบวชเราก็ยนินยอมให้ภรรยาไปมีสามีใหม่ได้ ก็จบเท่านั้นเองถ้าเราถือสินแปดอุทิศให้คนตายเขาจะได้รับไหมครับไม่ได้หรอกเพราะว่ามันยังไม่เกิดสินแปดยังไม่แค่รักษาแค่วันเดียวมันยังไม่ ย, ไมยังไม่ได้พิสูจน์ว่ามันมันเป็นสิสนแท้หรือสินปลอมเดีย๋ยวถึงเวลาหิวข้าเวเย็นจะอดข้าวเย็นได้หรือเปล่ายังไม่รู้เล ย, ยงั้นการรักษาสิลยังไม่ยังไม่สามารถอุทิศบุญให้กับใครได้ อย่างนี้ที่บุญเนี่ยทำบุญถวายทานไปดีกว่าแน่นอนกว่าใจสงบเป็นปกติแต่พอมีเรื่องมากระทบก็รู้ทันว่าอารมณ์เปลี่ยนการที่เราดูไปเรื่อยๆแบบนี้มันจะพัฒนาไปทางไหนจะทำให้เราสงบแล้วไม่มีความคิดเห็นหรือเปล่าครับก็แล้วแต่เราเราจะควบคุมใจให้นิ่งเฉยได้หรือไม่ คุณแม่เสียไปแล้วเวลาฝันฝันว่าแม่ยังไม่ตายอยู่กับเราตลอดเวลาเป็นเพราะอะไรครับว่าเราคิดอย่างนั้นเลยถ้าเราบริจาคอหิตผ่านไปแล้วเราจะอุทิศบุญได้อีกไหมครับได้ครั้งเดียวถ้าอยากจะได้อุทินใหม่ก็ต้องทาบุญใหม่ไม่ใช่ทำทำครั้งเดียวแล้วอุทิศน้อยครั้งมันไม่ได้หรอก จะไปกราบรับฟังธรรมกับพระอาจารย์ครับไปได้วันไหนบ้างครับ9วันเสาร์อาทิตย์และวันพระและวันหยุดราชการวั น, นวันหยุดนักขัดต่เลิกเช่นช่วงนี้ก็อยู่ห้าวันก็มีการสแสดงธรรมห้าวันตั้งแต่บ่ายสองโมงไปถึงประมาณสามโมงหลังจากสามโมงก็จะมีการทําถวายข้าวของต่างๆเสร็จแล้วก็จะมีการถามตอบคําถามต่อเองจนกระทั่งถึงประมาณเวลาสามโมงสี่สิห้าก็จะเลิก ก็ย้อนกลับ ก, กันการทําบุญหนึ่งร้อยวันจําเป็นไหมครับการทําบุญนี้ถ้าเพื่ที่ให้กับคนตานี้ถ้าอยากจะให้เขาได้บุญก็จำเป็นถ้าไม่อยากให้เขาได้บุญก็ไม่จำเป็นก่อนนอนเปิดฟังเทศแล้วหลับสบายตื่นมากลางดึกก็เปิดฟังต่อแล้วก็หลับอีกอย่างนี้ได้บุญไหมครับไม่ได้หรอกมัญญานอนหลับ บริกรรมพุโทโธธรรมโมสังโฆพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จิตตั้งมั่นได้มากกว่าทำอย่างนี้ได้ไหมครับได้อย่างไ น, นก็ได้ที่ทำให้จิตสงบจิตไม่ปรุงแต่งไม่คิดฟุ้งซ่านการนั่งสมาธิพุโทโธแบบลืมตาได้ไหมครับได้แต่ไม่ได้ผลไม่ดไมด้ไม่ดีเท่ากับหลับตาเพอาลืมตาจะเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็จะเพลิสติไปคิดถึงรูปที่เราเห็นได้ ก็จะทําให้การประดิษฐการการเจริญสติขั้นตอนนและการที่ทำใจให้สงบนี้ก็จะไม่สามารถเข้าสู่ความสงบได้เพราะฉะนั้นคนหลับตาดีกว่าเาะฉะนั้น ไ, ไม่ต้องไปรับรู้อะไรที่เข้ามาทางตาพอได้ไปรับรู้แล้วมักจะต้องไปคิดปุ่งแต่งกับเรื่องที่เรารับรู้ทันทีตอนนี้คําถามหมดแล้วครับรอาจารย์ครับรอาจารย์ตอบใน<ด>ครบคำถามเลคร<ด>ับเหลืออีกสองนาทีสามนาทีครับอาจารย์ อ๋มอมีคําถามมาเริ่มเข้ามาอีกแล้วครับอาจารย์ครับตอนนี้พระพุทธเจ้าท่านยังเสด็จมาในโลกอยู่เป็นปกติไม่ครับเคยเห็นนิมิตตนเองนอนเป็นเด็กอ่อนในฝ า, าพระบาทครับคือเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่สำหรับคนที่ไม่ได้ปฏิบัติผู้คนที่ไม่มีดวงตาเห็นธรรมนี่ก็อาจจะเทียขึ้นไปเทียงกันมาก็ได้เช่น ในประวัติหลวงปู่มั่นที่ท่านอาจารย์มหาวโรท่านเขีย น, นเนี่ยหลวงปู่มั่นนี่ก็เคยเล่าว่ามีพระพุทธเจ้ามาสแสดงธรรมกับท่านพอบรมราชวงศ์ข้งนี้ผู้เป็นนักปรารถนา้านทางบริยัติทางาศาสนาทางพระน์พัฒน์ไตรปิฎกฟังคารวศรุ้งขงึ้นมามันไม่มีในพระไตรปิฎกเป็นไปไม่ได้พอพระเจ้ามิพานเราต้องสูญต้องขายไปหมดไม่มีการกลับมาอีกนี่ยังมีความใครนะหลวงปู่มั่นท่านก็ ท่านก็เป็นพาาระอรหันต์ท่านก็พูดความจริงท่านไม่โกหกท่านก็เอาเปพรทศเจ้ามาสนทนาธรรมกับท่านมาแสดงธรรมให้ท่านฟังครับงั้ก็เราฟังใครก็กต้องพิจารณาแล้วว่าคนพูดเป็นใครมันพูดมีศีลมีธรรมหรือไม่มีศีลมีธรรมจะเชื่อใครแต่มันเป็นเรื่องของอดีต จ, จิตใจสาหรับคนน้อยคนอยา่างพวกเราธรรมดานี่ไม่สามารถที่จะพิจารณาได้ ก็สายศรัทธาท่านเองถ้าเชื่อหรือไม่เชื่อไม่เชื่อก็ไม่ว่าอะไรเชื่อก็เชื่อก็เชื่ออาจจะได้ประโยชน์จากการเชื่อก็ได้เพื่อมันมีประสบการณ์ค่าเกินกันที่เกิดขึ้นกับเราเราจะไเราจะได้ไม่สงสัยว่าเป็นไปได้หรือไม่ได้มีอีกสองคำถามครับอาจารย์ครับเคยมีเพื่อนพูดว่าแค่คิดไม่ผิดไม่บาปแต่โยมคิดว่าแค่คิดก็เป็นผลต่อบาปขอคําแนะนําจากอาจารย์ครับ คือถ้าคิดแล้วไม่ไปทาไม่ไปพูดไม่ไปทาทางร่างกายยังบาปยังไม่เกิดแต่เป็นอกุศลสร้างความทุกข์ใจได้ทำให้ไม่สบายใจได้ถ้าคิดไม่ดีก็ควรจะระงรับมันอย่าอย่าปล่อยให้มันคิดสอนมันว่าคิดแบบนี้ไม่ดีถ้าระงรับมันได้มันก็จะไม่ระบายไปทางวาจาและทางกายมันก็ยังไม่บาปแต่ถ้ามันคิดอยู่เรื่อยๆมันยะทําให้จิตใจเราเศร้าใจได้ทุกข์ใจได้ พยายามระงับมันด้วยการใช้สติใช้ปัญญาสอนใจคำถามสุดท้ายครับพระอาจารย์ครับผู้ที่บวชอายุมากๆแล้วอาพาธเจ็บไข้ได้ป่วยส่วนใหญ่ปกติจะมีใครดูแลรักษาไหมครับก็มีโรงพยาบาลรักษาอยู่แลวก็มีสัตญญญยาธิยมที่เขาจะมาคอยสนับส น, นุนถ้าเป็นพ่าแล้วเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยนี่จะมีมีผู้ใจ บ, บุญจะมาคอยช่วยเหลือ โอกาสครับอาจารย์ครับวันนี้มีเพื่อนเพื่อนฟังธรรมในเฟซหกร้อยห้าสิบสามในยูหกร้อยสี่สิบในคลับหกในติ๊กต็อกห้าร้อยห้าสิบหกรวมเพื่อนๆ น, นฟังธรรมด้วยกันหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบห้าคนนะครับเริ่มอ่านคำถามแรกเวลายี่สิบนกาเจ็ดนาทีวันนี้อาจารย์ตอบไปหนึ่งร้อยสี่คำถามนะครับก็ยินดีกับทุกท่านที่เข้ามานุ่งฟังสนทนาถามตอบคำถามเป็นการมา ทำวิซ่าไปพัฒนิพานกันพอถึงเวลาต้องขึ้นเครื่องก็จะได้มีมีตั๋วจขึ้นเครื่องได้แล้วก็สามารถเข้าประเทศได้ไ ป, ไปถึงนิพานได้เพราะการฟังเทศฟังธรรมก็เป็นการเจริญปัญญาอย่างหนึ่งซึ่งเป็นเป็นปัจจัยสําคัญในการที่จะนําจิตใจให้เข้าไปสูพ่พานิพานได้ก็ขอชื่นชมยินดีกับทุกท่านที่เข้ามาฟังเทศฟังธรรมในครั้งนี้ มองว่าคงจะได้รับประโยชน์มากมากไม่มากก็น้อยสําหรับการสนทนาธรรมตลอดคืนนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิพจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสบความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอาสาธุถ้าไม่มีเวลาถัดเข้ า, ก, ก, า, าก็คงจะได้พบกันอในอาทิตย์หน้าแต่สําหรับคุณหมอก็คงจะได้พบกันในพรุ่ในี้เช้า ทำเป็นวัดเหรอไม่เป็นวัดขอโอกาสอาจารย์นะครับวันนี้ได้ครับขอจเจริญพรขอเจริญพรครับกลับขอบพระคุณอาจารย์ครับ